พนสู่ธรรมเรื่องความงามอันหน้ามหัศจรรย์ของบุโรบุด ו ר โดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่20พฤศจิกายน2537หัวข้อในวันนี้นะครับก็คือความงามอันหน้ามหัศจรรย์ของบุโรบุด ו ר หรือที่คนไทย ทั่วไปมักจะรู้จักในนามของบรมพุทธโธซึ่งเป็นคำแปลทึ่งคาดเคลื่อนหนึ่งครับแต่ว่าเนื่องจากมันลงลิ้นลงเสียงพอดีก็เลย <c oughs> ก็เรียกกันอย่างนั้นไปเสียแล้วพระบรมดมีปมปริศนาที่สลับซับซ้อนมากครับอยู่เบื้องหลังมันคือทั้งรูปทรงชือ่อ ทั้งรูปทรงทั้งชื่อนะครับทั้งการปรากฏขึ้นในโลกพิภพนี้รวมทั้งการล่มสลายและจากไปเป็นเวลาถึงพันปีเศษซึ่งมาฟื้นขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้วครับออสร้างปริศนาให้กับนักวิชาการนักคิดนักบบรางคดีรวมทั้งศาสสนิกไม่เพียงแต่ชาวพุทธเท่านั้นปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ มีประชาชนทั่วทุกสารทิศของโลกเดินทางไปเพื่อจะชื่นชมกับภาพสัมผัสสิ่งน้ามหัศจรรย์นี้บรอโดได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในดิบเบิลวอลเดอร์นะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในลำดับยุคสมัยใหม่เช่นเดียวกับนครวัดแต่คทา่จริงก็คือบรอบปูด น, นั้นถูกสร้างก่อนอนครวัดประมาณสามร้อยปี เรื่องราวเบื้องหลังเราคงต้องศึกษากันไม่รู้จักจบสิ้นร้อยปีหลังจากการฟื้ฟนฟูบูรณะนั้นเลยครับถ้าถึงวันนี้นะัเวลานี้นักวิชาการยังถกกันไม่รู้จักจบสิ้นครับว่าบรุบูรดมีรากศัพท์มาจากอะไรชื่อจริงๆที่เป็นทางการของ มหาสตูปอั น, นยิ่งใหญ่นี้นะครับชื่ออะไรกันแน่เพราะว่าชื่อจะเป็นกุญแจไขว่าหน้าที่ใช้สอยที่ใช้ทําอะไรมันเป็นสถูปหรือว่าเป็นเจดีย์หรือว่าเป็นปราสาทปราสาทผมไม่ได้หมายถึงปราสาทราชฐานนะครับปราสาทเทวะใหมายถึงเรือนยอดครับซึ่งในพระไตรปิกนั้นเล่าไ ว, ว่านางวิสาขาได้สร้างปราสาทถวาย พริกษุงฆ์ปราสาทคือเรือนที่มีหลายชั้นและเป็นที่ที่พระสงฆ์รวมตัวกันอยู่ที่นั่นพักผ่อนกันอยู่ที น, นเรียกปราสาทโทาสอ้เรียนยอดคำปราสาทนี้คือศัพท์เดียวคกับคำปราสาทะเรื่มใส่มผมไม่ใช่นักโบราณคดีโดยอาชีพและข้อ ไปสัมผัสบริโภมาด้วยความรู้สึกของผู้ไม่มีความรู้ล่วงหน้านี่ผมหมายถึงเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะครับผมไปมาสองผลสี่ครั้งอาจจะฟังดูแปลกครับสองผลนึงคือการไปอินโดนีเซียสี่ครั้งคือเมื่อจะบินออกนอกประเทศเกิดคิดถึงบริโภย้อนไวใหม่กลายนสี <c> ่ <oughs> ครั้งขึ้นมา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 มีความรู้สึกชิมนั้นได้นะฮะความรู้สึกนั้นคลี่คลายแล้วก่อเกิดปิติสุขเราไม่จำเป็นต้องหักห้ามมีพ<ม>ุทธภาสิตที่จะยกขึ้นมาแก้ตัวหรือสำทับก็แต่แท้นะครับไม่ควรปฏิเสธสุขที่เป็นกุศลนะเช่นศรัทธาหรือแม้แต่ว่าเราเลื่อมใสบุคคลจนร้องไห้เมื่อเขาจากไปซึ่งดูไปแล้วถ้าคนที่ยึดถือ การปฏิบัติแบบัวชนกำแพงก็บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องเสียข้อที่จริงมันมีอยู่ว่าความปรารถนาในส่วนลึกของมนุษย์ก็คือเราอยากจะรักในสิ่งที่เป็นที่สุดที่รักหมือนพระเจ้าคล้ายๆก็อยากพบผมเชื่อถ้าท่านยังมีประชนอยู่นี่พวกเราหลายคนต้องดันด้นไปจนได้ถูกไหมฮะทั้งๆที่รับรว่ไม่จำเป็นต้องไปทั้งๆเรารู้ว่าพุทธะคือก่นใจของเรานั่นเอง แต่ว่าความปรารถนาส่วนหนึ่งเราอยากจะอยู่ในจินฐานที่เรารักในประเทศในชุมชนที่เรารู้สึกเป็นสุขเราอยากอยู่ใกล้คนที่เรารักและเขารักเรานี่เป็นความต้องการพื้นนใช่ไหมครับส่วนการที่อยู่ใกล้บุคคลที่เรารักเราเตอทโนแล้วเรายึดติดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับมันเกินกับปัญญาครับความยึดติดตอนให้อยู่ไกลมันก็ติดได้ครับและมีข้อที่จริงอีกหนึ่งว่า คนติดตยึดอะไรอยู่มักก็พล่ำเพอ้อถึงสิ่งนั้นตัวอย่างก็เห็นได้แล้วผมต่กลับว่าไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยนอกจากบรมโตครับรบรมดูมันจะเรียกว่าเราได้เห็นสิ่งที่วิจิตรอลังการครับสิ่งที่งดงามที่กวีและศิลปินนีได้เสกสร้างเพื่อให้เป็นิมิตรติดตาตรึงใจเราอยู่นะครับ ตัวเราจะหมุนสมาธิหรือพลังอันนี้ไปทางไหนนั้นมันขึ้นกับเราครับขึ้นกับเราเองเหมือนใครสักคนพูดว่ารถยนต์เนี่ยทำให้อากาศเป็นจิ๊เราก็ไปโทษรถยนต์แล้วก็เราไม่ควรใช้รถยนต์เลยนะหรือว่ารถยนต์เป็นเรื่องของความมั่งค้มั่งมีไปผมว่ามันไม่ได้ขึ้นกับรถยนต์มันขึ้นกับผู้ใช้อยางนั้นความรับผิดชอบต่อ ธรราปฏิบัติในส่วนสุดในส่วนโล ก, กุตระธรรมนั้นประสานได้กับเรื่องโลกๆครับเท่านี้ยิ่งเหมือนคําตอบที่ว่าเราก็ยังเป็นเราผู้มีอาชีพทําการทํางานเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาสามีอไรแบบนีพร้อมกันนั้นเราปฏิบัติทำชั้นสูงได้ความเชื่อนี้จหนักแน่นหรือมากพอหรือไม่นั้นถ้าเราได้สัมผัส บ, บ, ร, บริบูรณะับเราจะพบอะไรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับ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 แล้วก็เรียกด้วยความเหยียดหยามว่าหินายนยานต่าๆเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าทุกเรื่องแม้จะเขียนประวัติพุทธเจ้าออกบดก็เพื่อตัวท่านเองไปนั่งจัสรุก็เพื่อตัวเองคิดถึงตัวเองตลอดเวลาแต่ว่ามหายาณได้เขียนพุทธวสวายางกว้างใหญ่แม้ต่เขียนว่าขณะที่เจ้าชายอยู่ในพระคันของมาจาเทวีก็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 สาระสำคัญมันมันไม่ได้อยู่ในเรื่องในพระประวัติของผู้เจ้าแต่มันอยู่ตรงความรู้สึกที่แผ่ขยายของผู้อา่านความรู้สึกที่ซาบซึ้งซาบซึ้งและเป็นเหตุดอนดานใจให้ปฏิบัติธรรมะนั่นสําคัญที่สุดดังนั้นชาดกทั้งหลายเรื่องครับที่ถูกเสร็สร้างขึ้นเพื่อเรา้าศรัทธาให้มีอุดมการในการปฏิบัติโรกุตตะธรรม ที่บริวนั้นมีภาพสลักหินนะครับประมาณชาดกประมาณห้าร้อยเรื่องผมพูดกันบางทีหลายคนได้ดูแล้วในภาพยนตร์สารคดีนะครับแต่มันไม่เหมือนได้ไปเห็นด้วยตาตได้สัมผัสโดยตรงผมจะเล่าย้อนอาลมณสึกส่วนตัวบ้างนะครับเพราะว่าถ้าใจพลานางจริงมันลำดับไม่ถูกครับลำดับไม่ถูก ครั้งแรกที่ผมไปเมื่อสิบห้าปีนั้นพอได้เห็นเ่ยผมเข่าอ่อนเลยที่เข่าอ่อนไม่ใช่เหนื่อยหรือหมดแรงครับเพราะว่าผมรู้สึกท้อแท้มากกับท้อไปทั้งชีวิตเมื่อได้สัมผัสพลังศรัทธาที่คนโบราณซึ่งเป็นบนรรพบุรุษ ช, ชาวพุทธชาได้แสดงออกที่บรุบรุตรแล้วมันนึกน้อยใจตัวเองใช่ว่าเราเล่นเกินไปเราศรัทธาน้อยเกินไปเมื่อเราได้เห็นการแสดงออก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 เป็นเขาทุ่มเทแล้วแสดงออกอย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวนะครั บ, บรมุทโธนั้นเป็นเครื่องหมายของศรัทธาอล้นเหลือที่ชาวพุทธครั้งอดีตมีต่อพระพุทธสนามีต่อพระพุทธเจ้ามีต่อพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตดังนั้นศะรัทธาของเขาเนี่ยเปี่ยมทนรวบ ร, รวมจากอดีตปัจจุบันและอนาคต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 สพศาสนาหรือคำสอนของศาสนาใดในโลกนี้เนี่ยจะมีสองลักษณะคือลักษณะที่รู้กันในวงกว้างภังคฤษเรียกอชโซเทิรู้กันในวงกว้างซึ่งไม่จะเป็นต้องลึกแล้วศาสนาที่รู้กันในวงจำกัดซึ่งลุ่มลึกเรียกเอชโซเทกขอโทษนะฮะเอ็กโซเทรู้กันในวงจากัดรู้กันในวงแคบ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 ผู้ที่มาที่หลังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าวันนี้ผมจะพูดเรื่องความงามอันน่ามากชั่์ของบุรุษบุรุอต้องย้อนทบทวนว่าพ่อมีหลายคนมาตักคอว่าทําไมไม่พูดธรรมะปฏิบัติอผมอยากที่ให้การพบปะนี้เป็นการพบปะได้หลายหลายมุมนะครเพราะว่าศาสนธรรมนั้นมันไม่ได้มีแต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวนะครับมันยังมีหลายเรื่องมากที่ เช่นเรื่องศิลปะวะตัตถธรรมเรื่องจริยธรรมเรามุ่งแต่จะปฏิบัติรูปเดียวเน่ะไม่ต้องมาฟังเลยครับฟังครั้งเดียวก็พอเลยครับตั้งสติเข้าดูใจเข้าความคิดเกิดให้รู้ตัวเข้าเท่านั้นเองครับแต่ต้องไปปฏิบัติมันจริงๆเนอะที่เราต้องมาพูดกันหลายเรื่องนึงเพื่อเราจะได้เห็นมิติเบื้องหลังพระพุทธศาสนาเบเื้องหลังคําสอนเรื่องอนัตตาความว่างเปล่าเบื้องหลังสุ ญ, ญิต า, ค, า, า, า, า, ตาคือความว่าง แต่ในความว่างเหล่านี้ไม่ได้ว่างโดยไม่มีอะไรเลยนะครับเขาสรรสร้างอารยธรรมอันวิจิตรบรรจงมาแล้วครับภายใต้ความรู้แจ้งของสุพัติองค์ได้กลายเป็นแสงสว่างเป็นแสงประทีปส่งเข้ามาในหัวใจของคนเป็นจํานวนมากในอดีตแล้วเขาก็มีความอะไรยอวรเอื้ออาทรนต่อคนรุ่นถัดๆไปดังนั้นสะพานมากมายความเข้าใจลึกซึ้ง น, นั้นนะครับที่เกิดอุตสาหะ ที่แกะสลักหินลงมาจำนวนถึงสองล้านบ่ก้อนแล้วก็ใช้ฝีมือช่างอันวิจิตรบรรจงยังเป็นปมปริศนาจนทุกวันนี้นะครับว่าเขาจัดบริหารบุคคลได้อย่างไรกรวีที่เรารู้จักนสนะคือพี่ท่า น, างานังคารกัลยาณมงค์เนี่ยได้แสดงความไม่เชื่อว่ามนุษย์สร้างที่จรคือมนุษย์นะแต่ว่าเป็นโมหานเป็นวิธีพูดของกวีเนาะ ท่านบอกว่าผมไม่เชื่อมนุษย์จะสร้างได้ต้องเป็นเทพพยายดาเท่านั้นครับเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าฝีมือน น, นั้นล้ําเลิศเหลือเกินครับแล้วที่อัศจรในแง่ฝีมือก็คือเหมือนกับคนคนเดียวทําซึ่งเป็นไปได้อย่างไงครับมีรูปสลักขนาดย่อมๆนี่เป็นผมก็ได้เป็นหมื่นๆลูกนเสื้อทรงดูไปแล้วหน้าหน้าทึ่งหน้าตาการตามากครับประกอบไปด้วยสถทธู องเล็กองน้อยรวมแล้วถึงหนึ่งถึงห้าพันเจ็ดสิบสององคิดดูนะฮะเรื่องราวเป็นหนึ่งนี้ครับในสมัยที่เซอร์รัฟเฟข้าหลุงใหญ่ของอังกฤษที่มาปกครองอประเทศที่ตันนี้เรียกม า, มาเลเซียะะได้ยินชาวพื้นเมืองพูดกันถึง นที่ลี้ลับที่สุดในใจกลางเกาะชวาแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นเขามีพูดผีปีศาจแล้วมีเรื่องเล่าลือกันว่าใครจะไปนั่นต้องตายทุกคนอุาบบทาวกบฏครั้งหนึ่งต่ อ, อละราชวงศ์มาตรามจุลตาเนี่ยมัต ร, ร, มร า, ามเนี่ยกบฏก็ใช้ที่ฐานที่นั่นหนีเอาชีวิตรอดเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปถ้าเขาอยู่เขาต้องตายในนั้นเสียงแต่พอเข้าไปแล้วก็ออกเขากเกิดตายอย่างนี้ด้วยครับ ดังนั้นก็ย้อมข่าวลือให้แพร่สะพัดไปอีกเจ้า ช, ชายพู้เมืองหลวงเก่านะครับคือเมืองยอยากตาสเสด็จไปเที่ยวกลับมาก็ตายแต่ผมก็จะน่าจะตายเพราะมาเมลีเรียเสื่อมากกว่านะแต่ไงก็ตามนะครับครั้งอดีตรุ่งโรธของชาวพุชชวามันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ปรากฏการณ์นกาะชวานั้นเป็นสิ่งน่าทึ่งยิ่งครับ ก็คือชาวชวาจะมีแม้โดยส่วรวมจะเป็นมุสลิมนะครับแต่จะมีน้ำใสใจจริงกับเพื่อนมนุษย์นี่งมากเพราะไม่ได้หมายถึงว่าชาวมุสลิมทั่วไปไม่มีนะแต่ที่นั่นจะเป็นพิเศษมากนะฮจนนักวิชาการให้ชื่อเฉพาะว่ายวานิสฮิวแมนนิตี้มนุษยธรรมเยี่ยงชาวสวานะเราเฉพาะว่าเขาซอฟออนโยนมากเขาเป็นมุสลิมนอะเดี๋ยวนี้นะผมต้องเที่ยวที่นั่นหลายครั้ง เกิดความรู้สึกอาจจะเข้าข้างตัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะผมรู้สึกทั้งหมดนี้เป็นผลของพระพุทธศาสนาที่ซ่อนอยู่ในสมมึิของชาวชวาแม้ปัจจุบันนี้เขาจะเป็นมุสลิมคือจริงแต่ท่วงท่าภายใต้สมมติขงเขาก็คือชาวพุทธนั่นเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมครับที่เราพบมนุษย์จะทำเยี่ยงชาวชววาที่นั่นทั้งๆ ท, ที่ก่อนไปนั้นเพื่อนฝูงหลายคนก็้าว่าจะไปนะเป็นแดนมุสลิมอันตรายก็ว่าอย่างนั้น ผมเชื่อครึ้นไม่เชื่อครึ้นแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เชื่อโดยเด็ดขาดอาจะมีความจริงอยู่บ้างที่ซูมาต ร, ราและเกาะอื่นแต่สําหรับชวาแลว้วเป็นเรื่องแปลกครับปาฏิหาริย์ของบรอบุโดได้แผลงฤทธิ้นั่นครับจนกระทั่งว่าชาวมุสลิมซึ่งไม่ค่อยยอมรับศาสนาอื่นสักเท่าไหร่เลยนะได้พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าบรพบุโตคือโบสถ์ของเราซึ่งไม่น่าเชื่อเลยเนะี่ยเาเรียกว่า บรบาโดว์อเวอร์เทมเพิลเทมเพิลนับอินโดนีเซียเขาว่าอย่างนั้นและทุก ว, วันนี้นะฮะประชาชนได้ไปเที่ยววันละประมาณหนึ่งหมื่นเพื่อไปชื่นชมบรูบาดนั้นดสิเปอร์เซ็นเป็นชาวมุสลิมมีเรื่องเรื่องตลาดมากครับเวลาตีห้านี่ผู้คนไปเป็นหมื่นแล้วครับเราจะไม่มีโอกาสเลยที่จะสงบดื่มดำในบรรยากาศนั้นเว้นไว้แต่ไปพักในบ้านพักของรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้ ผู้ที่ต้องการภาวนานั้นขึ้นไปบนมหาสุโภในตอนกลางคืนได้นะวันวิสาขานั้นเป็นวันพิเศษมากครับจะมีการรวมชาวพุทธจากหลายแหลง่งรวมนักชาตมุสลิมด้วยและเพื่อนของชาวพุทธที่เป็นศาสนิกอื่นด้วยครับวันนี้จะรวมตัวเรากับว่ากิจกรรมนี่ในวันวิสาขะเป็นกิจกรรมของอนุษสชาชาตไปแล้วครับนะ มีเรื่องปรีกย่อยมากมายเท่าที่ผมนึกได้ก็พูดสเปสฝาเนะไม่มีลำดับอะไรมากมายนะครับบรรพบุพรุษของชาวชาวานน้นว่ากันว่าเป็นชาวจีนพ้นทะเลนนะถ้าเราไปที่ชาวาเราจะพบว่ามีการผสมผสานทั้งชาติพันธุ์และศาสนาขนบประเพณีก็จะเห็นนี้แล้วก็มั่งครับที่ทำให้สับสว น, นการผส ม, มนั่ออกมานิ่มนวลดีแต่ข้อน่าสังเกตว่า ใคก็ได้วันหนึ่งที่นับถือทุกศาสนาเขาเขาจะไม่วางระยะกับทุกๆศัตวนะถูกนะฮะแต่ผมเริ่มใสทั้งพระเยซูทั้งมนาบีมูฮัมหมัดทั้งพระเจ้าเนี่ ย, ย, ยผมเขาคุยกับใครก็ได้ความอ่อนน้อม อ, อนโยนของชาวชาวมีส่งผลด้านหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ไม่สู้แบ่งแยกจากราษฎรครับซึ่งในบ้านเราป้อมปราการสุดท้ายของพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับเจ้าหน้าที่มักจะวางตัวเหนือ ประชาชนเสมอ แ, และเป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอดเอาละครับเรามาสู่เรื่องราวของเซอร์ลับเฟลนะครับชื่อลับเฟลเซียเราคงได้ยินปชื่อดอกไม้ที่ใหญ่สุดในโลกว่ากันผมไม่เคยเห็นนะครับว่ากันว่ า, ารัศกษณอเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างมาหนึ่งวาดอกไม้ดอกเดียวนะขึ้นกับพื้นชื่อลับเฟลเซียเพราะว่าตั้งชื่อดอกไม้ชนิดนั้นซึ่งมีในป่ามาเลห์แห่งเดียวเนะี่ยเพื่อเป็นเกียรติแก่ เซอรลาฟลข้าหลวงใหญ่ข้าหลวงคนนี้ครับเมื่อได้ยินข่าวเรื่องพิลึกกึ๊กคือเกี่ยวกับฐถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งใจกลางชมใจกลางชวาทวีปนะเขาเป็นฝรั่งอยู่แล้วเขาไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะเขาคิดว่าต้องมีอะไรที่น่าน่าสนใจแน่ก็ไปตำรวจครับแล้วก็ได้พาคนงานไปประมาณสองร้อคนใช้เวลาสองเดือนเต็ม ป่าโลกชัดซึ่งมีต้นไม้ขึ้นกลุ่มาะไม่มีใครรู้เลยว่าที่ตรงนั้นคือที่ตั้งของบรบอบโดรที่อยู่ในศิลาจารึกเพราะว่าชื่อมันผิดเพี้ยนไปนหมดบางแห่งเรียกว่าสัมภาระสัมพุทธสุมเมรุแต่ละศิลาจารึกแต่ละแห่งเรียกชื่อไม่ตรงกันแต่แห่งดังนั้นเองนะครับ เมื่อมีการสางป่าออกตอน้นไม้ซึงขึ้นคลุมเป็นอกบลัฟเฟลก็ได้เห็นโฉมหน้าครั้งแรกของบโดบโบคดวัวซึ่งทำให้เขาทราบซึ้งถึงใจมากก่อนหน้านั้นชาตินักล่าจากตอนตกผมใช้คว่ า, าชาตินักล่านะฮะก็คือยุคสมัยที่การล่าอานานิคมแสวงหาเือนขึ้นผู้คนจากตะวันตกที่เป็นนักล่าเหล่านั้นมักจะมีความคิดผิดๆยู่เสมอว่า ผู้อยู่ใต้ปกครองตัวหรือชุมชนเล็ก ช, ชนน้อยทางนอกป่าเถื่อนทั้งนั้นไม่มีปัญญาเขาจะต้องไปสั่งสอนแล้วก็กอบโกยทรัพยากรทางชาติ5้าร้อยปีน้องแต่การล่านานิคมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความยากจนกันทั่วโลกครับผมจะไม่เข้าสู่รายละเอียดนะเพราะว่าพวกนักล่าเหล่า น, นั้นได้ทำลายรากฐานวิถีชีวิตของชาวตัวหนอกชาวบุรพทิซึ่งมีวิถีชีวิตที่ อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์คำจุนของสภาวะธรรมธรรมชาติพวกเขามีชีวิตเรื่อยๆสบายๆเหมือนที่พวกเราหลายคนเป็นอยู่สิ่งเีลนี้วิถีชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วครับเราไม่มีชีวิตแบบเรื่อยๆสบายๆอีกแล้วเว้นไว้เราปลดกเกษียณแล้วหรือเรายังเด็กเกินไปนแต่ครั้งอดี้นั้นซีกโลกตัวหน อ, อกนั้นนะครับมีวิถีชีวิตตามธรรมชาติเท่านั้นเองด้วยการอนุเคราะห์จุนเจือของแม่ธรณี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 ปัองเราก็เหมือนกันส่วนลึกเราอยากมีชีวิตที่เรื่อยๆสบายๆแต่เดี๋ยวนี้เราทำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องเร่งรัดต้องจัดตัวเองให้ลงในตาตารางของเวลาเพื่อหาเงินหารายได้ครั้นกระดีตเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วนั้นนะครับเมื่อชาวดัตช์ Dutch, อังกฤษและอังกฤษและโปแลเก์เข้ามาปกครอง ผู้ที่ทําตัวเปเจ้านายเหล่านั้นมองว่าชาวพื้นเมืองโง่พวกผิวดํานี่พระเจ้าสร้างมันสมองให้พวกผิวขาวเท่านั้นและพวกผิวขาวต้องเป็นเจ้านายแต่แล้วคติความเชื่อนี้ถูกคว่ำบาตรทันทีครับเมื่อบรรบดัถูกเปิดเผยขึ้นรับเฟเปิดเผยถึงนี้แล้วทําให้ชาตินักล่ารู้สึกว่าในช่วงต้นเขาปฏิเสธว่าสงสัยจะไม่ใช่ชาวถาวรสร้าง พยายามบายเบนในตลอดเวลาคือไม่ยอมรับคําจริงว่าภูมิปัญญาล้ําเลิศเนี่ยชาวตะอนงออถ้าเป็นเจ้าของมาก่อนหน้านั้นผมเชื่อคําเอเชียน่าจะมาคําอุตสาแน่ครับคือพระอาทิตย์ขึ้นก่อนแต่แล้วในสุดนี้นักวิชาการยอมรับกันอย่างสิ้นเชิงเลยว่าภายใต้ผิวที่ดําๆคล้ายๆลิงสีน้ําตาลของคนโดนออกนั้นผมพูดขำๆนะฝรั่งเขาเรียกลิงสีน้าตาลนีเพราะว่าเขาเรียกแบบดูแคลน ใต้บิวที่ดำคล้ำไม่งดงามเหมือนชาวยุโรปหรือตะวันตกภูมิปัญญานั้นลำเลิศนะบุรุษบุคคลได้พิสูจน์ศักดิ์ศรีของคนนออลกอย่างอย่างไม่น่าเชื่อเลยต่อจากนั้นเองครับการเคารพคนตัวหนองเริ่มเกิดขึ้นเหมือนในนี้อย่างประเทศออสเตรเลียนีนะซึ่งเขาเป็นฝรั่งก็จริงแต่เนื่องจากบรรพบุรุษของเขาเป็นนักโทษถูกปล่อยเกาะดังนั้นชาวออสเตรเลียหน้าตาเป็นฝรั่งแต่เคารพคนตัวหนองมากนะมีความรู้สึกที่ ไม่มีระยะทางนักกัคนดอนอ๊เมื่อหลังจากลักเฟินได้เปิดเผยสิ่งนั้นแล้วก็ในช่วงนั้นรักบาลดัสปกครองชวาอยู่นะพูดถึงชวาโดยวงกว้างสักเล็กน้อยก่อนนะครับเกาะชวานน้นเป็นเกาะที่พาดอยู่ตรงเอ่ออทนะฮะเส้นศูนย์สูตรของโลกนะครับพาดตรงใจกลางชาวาบีิกิเลยทางประมาณ อกว่ากิโลเมตรนั้นสานที่ก็ดูแปลกประหลาดอยู่นักวิชาการที่ชอบคิดในเรื่องลี้ลับก็ตั้งแง่ที่คิดว่าทำไมจึงเลือกสร้างที่นี่เพราะมันเป็นเส้นสูงสุดแล้วก็จุดที่สร้างบรบูวนั้นหยุดกึ่งกลางของเกาะพอดีนี่เป็นสิ่งน่าคิดใ่แง่นี้แต่ผมเองไม่คิดมากแต่ประเด็น น, นี้นะแต่ถ้าเราเห็นชัยภูมิแล้วเราจะพบว่าการเลือกสถานที่ที่สร้าง เจดีของโลกผมใช้คำนี้นะฮะเจดี JD ของโลกเนี่ยเป็นการเลือกสรรที่เฟ้นและจายตรองอย่างมากเชื่อว่ามีการสะองแสวงหาจากผู้รู้ในการที่จะประดิษฐานให้เป็นสัญลักษณ์ของเจดีโลกคำเจดีโลกเราไม่ก็ได้ยินนะครับแต่ในคำพีละลิสวิตรเนี่ยคือพุทธวัตรฝ่ายมาหายาณจะเรียกพระพุทธองค์ว่าพระผู้เป็นเจดีโลกคือเป็นนิ่งขวัญเป็นที่สุดของโลกนี ดังนั้นเมื่อเรามองจากคือบินหรือภาพตานกที่มองลงเราจะพบว่ารูปทรงสัดส่วนรากาวาดขึ่งในคำโฆษณาชวนเชื่ออ น, นามารรัตจันของพีรมิดแต่ถ้าเราไม่ต้ดจากหลัก การคิดแบบชาวตาอน อ, อกซึ่งยืนพื้อนอยู่บนมโนธรรมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดเหตุเชิงเหตุผลนกเราพบว่าปิรามิดก็เป็นเกติยศของอิมโฮเทฟสถาปนิกคูริ ล, ลอนแต่ว่าแรงงานทั้งหมดเป็นแรงงานทาสเพราะไม่มีรายละเอียดที่สท้อนออกซึ่งวิญญาณบริสุทธิ์ของผู้สร้างสารรค์แต่จุมุงจะเป็นใช้หลักคณิตศาสตร์เข้าจับระยะทางมุมต่าง จุดมุหมายังคุมเคือว่าสร้างเพื่ออะไรกันแน่แต่ถ้าเรานํามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นสิ่งน่าหวาดจั่นในยุคปัจจุบันในยุคสมัยใหม่คือบรมปโชแล้วเราจะพบว่าแรงงานที่นั่นเป็นแรงงานศรัทธาครับไม่ใช่สร้างด้วยแท้หรือไม้ตะพดที่ทุกตีเพื่อให้ใช้แรงงานที่สร้างสิ่งเหล่านั้นสําหรับผู้ที่เป็นช่างหรือผู้ที่มีความละเอียดอ่อนจะสังเกตออกว่าแรงงานธาต แรงงานเกณฑ์นะครับกับแรงงานสัพทานะต่างกันมากครับเมื่อไปที่นั่นเราจะพบสิ่งมหัศจรรย์ที่ว่ามิติเบื้องหลังการสร้างนักวิชาการคำนวณว่าถ้าใช้ช่างสักหมื่นคนนะฮะต้องใช้เวลาหนึ่งร้อยปีจึงจะสำเร็จได้เพราะทั้งสเกลขนาดที่มะหะนะฮะแล้วฝีมือที่วิจิตบรรจง รายละเอียดผมได้ดูในสไล์นะครับมันไม่น่าเชื่อเลยที่จะสร้างกันได้ด้วยน้ำมือน้ำพักน้ำแรงของประชากรชาวาบนเกาะชวาอย่างเดียวในเล็กขัดต่างๆในบทบรรทึงต่างนะฮะในประวัตินั้นไม่ปรากฏว่าในช่วงสมัยที่บรมโกลูกสร้างนั้นมีบนเกาะชวามีประชากรมากซึ่งนําไปสู่ข้อคิดที่ขัดแย้งอยู่ในตัวว่าทั้งนั้น งานศิลฟะเลเลิศซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยเอาแรงงานที่ไหนมาเข้าใจ่หมครับที่ผมก็ลังเสนอเนี่ยว่าไม่เคยมีบันทึกว่าบนกอเชาวามีประชากรมากเึงนขนาดนั้นสเกลมันใหญ่และงดงามเนี่ยมันฟ้องมิติหลายมิติเช่นว่ามิติทางปรัชญาชีวิตต้องลงตัวมากสังคมต้องมีเอกภาพสูงมากจึงจะรวบรวมและสร้างสรรสิ่งนี้ได้ มีข้อขัดแย้งในทางบรางคดีประัตศาสตรซึ่งนักบรางคดีรู้กันดีนะครับว่าที่ใดคือศูนย์กาลางราชอาณาจักรสีวิชัยเดีรวนี้เรารู้ชัดนะครับว่าแบบอย่างศิลปะที่สร้างมหาสถูปนี้คือสีวิชัยภายใต้ใการนําของราชวงศ์ไซเรนราชวงศ์หนึ่งภูเขาสไลด์นะครับราชวงศ์ไทรเลนเป็นราชวงศ์ที่สําคัญมากในประวัติของพุทธศาสนาเราพบว่าพระเจ้าอโศก มี บ, บทบาทสูงในการแพร่ขยายคําสอนพระเจ้านะครับแต่พระองค์ทำโดดเดี่ยวนะและเดี๋ยวนี้นักวิชาการเริ่มท้วงติงว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาศูญชิ้นมาจากอินเดียก็เพราะฝีมือพระโสดกนั่นเองแต่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างมีอัคติกับท่านถ้าว่ามันสูญไปท่านคงไม่ได้เจตนาและตั้งใจเพราะาท่านคนํานึงถึงการส่งสมณทูตออกนอกประเทศมากกาว่าการฟื้นฟูในประเทศ แตาสำหรับก ษ, ษัตริย์ราชวงไซเรนนั้นดูเหมือนมีอะไรที่แตกต่างกันมากครับเมื่อเราเรียนหนังสือประวัติศาสตร์เรียนเริ่มเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะอะไรส่วนอย่างนักเรียนสินกวมักจะเริ่มต้นทพิกรีเรียนรู้วิหารความงามของพาเธนอนเรียนรู้อียิปต์แต่เราไม่เคยเรียนรู้ผู้กามซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรานี น, นเดียวเราไม่เคยรู้จักบ ร, บรูบูเดอเพราายุตั้งมากกับเพื่อนเพื่อนรู้ซึงว่าที่จริงยอดสุดของอารยธรรมมัน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 แต่เขาเป็นคนแรกเลยที่ทราบซึ้งทั้งๆเขาก็ไม่ใช่จ้าพุทธนะแต่เขาเห็นความงามันบริสุทธิ์ของศิลปะจากฝีมือของมนุษยชาติแบ น, นี้นะครับปัจจุบันนี้บรูปโทได้กลายเป็นตราของยูเนสโกซึ่งเกียรติยศนี้น่าประหลาดมากยูเนสโกเป็นองค์การสชามชาตินะฮะแต่ได้ใช้บรูวโทเป็นตราแล้วก็ออกทุนให้ประมาณย5้าล้านเหรียญสหรัฐคือให้รัฐบาลอินโดนีเซียได้ฟื้นฟูบูรณนะ จำเดิมตั้งแต่ลาฟเฟลได้เปิดเผยโฉมอันงดงามวิจิตรลังการของบรูบโบทอแล้วใช้เวลาอีกร้อยปีเดิมๆครับที่จะฟื้นคืนชีพให้กับบรโบโดยหลังจากบรโบโดยได้สลบสไลด์อยู่ในป่าดึกดําบันนี้พันปีเศษคือไมีใครรู้เรื่องราวของบรูโบรโดยเลยพันปีเศษเป็นพันปีของการผูกร่อนพันปีแห่งตะไคลน้ำและเชื้อรา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 ผลประการเดียวเท่านั้นนะครับที่ผมพอทะนึกออกนะครับก็คือรอบๆ บ, บริเวณทุ่งเกดุอันเป็นที่ที่บรอเบโดถูกสันสร้างขึ้นนั้นคือภูเขาไฟที่ยังเป็นเป็ น, ปนอยู่แม้ทุกวันนี้ยังค่นควั น, นขมงอยู่และในประวัติสตรที่แล้วมามีการบันทึกว่าภูเขาไฟได้ค่นลาวาออกมาและเป็นดินสั่นสะเทือนดังนั้นถ้าใช้ก้อนหินใหญ่โครงสร้างทั้งหมดจะถูกทําลายไปในคลิปตา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 สิ่อนนี้เป็นการกลับมาใหม่แต่บรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วครับมีความจาเป็นที่รัฐ บ, บาลเยอรเซียได้ปรับรอบๆบริเวณให้เป็นสวนสนุกซึ่งบรรยากาศไม่สู้สักศิต์นักแต่เงี้ก็ตามนะครับบรมุสโทยังมีคุณค่าร่วงลุกการสมัยอยู่จนกรทังปัจจุบันนี้มีจินตนาการนันมากมายสาหรับผู้ที่มีรักที่จินตนา ต่อมรุพโชมือเห็นแล้วก็คิดกันไปนต่างๆนานาอย่างน่าประหลาดครับมีตำนานเล่าลือเบื้องหลังผู้บุรณะซึ่งเป็นชาวมุสลิมเกิดในหมู่บ้านนั้นเองซึ่งก็ถูกบิดามารดาหา้ามไม่ให้เข้าไปที่เล่นในที่ที่มีผีดุเขาเหลือเล่ไปก็เห็นในต้นไม้หนาทึบสลับซับซ้อนเห็นยอดสถูก ป, ป, ปลายแต่ถัดมาหลายปีเด็กหนุ่มคนนี้ก็ค่อยๆกลาเป็นวิศวกร เหมือนกับฟ้าสั่งให้มาบุรณะแต่เขาคือมุสลิมแต่คำสัมภาษณ์นั้นเขาสู่นังสื่อพิมพ์และผู้ที่ไปสัมภาษณ์นั้นน่าทึ่งครับเ็าบอกว่าเมื่อผมเดินอยู่ในคืนเดือนหงายบนลานสถูยอดเจดีย์ของบรูไโดรผมไม่รู้สึกว่าผมเป็นมุสลิมผมเป็นมนุษย์เขาพูดอย่างนี้เลยคนระับสำหรับผู้ที่มีความไหวอ่อนในด้านสืนถืยาภาพอาจจะทราบซึ้งจนจน ลืมไม่ลงครับความงามความต่ ก, การนั้นได้แผ่นหัวใจของเราให้กว้างเพราะว่าในช่างตัดสินใจสร้างสุถูกไปในแนวนอนนะจ๊ะนะครับปกติสูงมันจะสร้างสูงขึ้นดังเราเห็นนครวัดสิ่งมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งแต่สำหรับนครวัดนั้นในทัศนวิสของผมเองนะครับเป็นจริงอัศจรรย์ที่ไม่มหัศจรรย์เพราะว่าเป็นลูกหลานของอินเดีย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 เพรสร้างจากคติมหายานคติโพธิสัตยานนะครับส่วนความวัดนั้นเป็นการผสม ร, ระหว่างฮินดูและพุทธว่ากันว่าพระเจ้ามรากตเคยอยู่ที่นั่นครับแต่ว่าทั้งสองสิ่งนั้นอายุอ่อนกว่าบรมบูโตถึงสามปีครับที่ว่าจิเนอการมากมายนั้นคือรูปลักษณ์ของบรมบูโตนั้นเป็นการผรสม ร, ระหว่างปราสาทและสถูตจงทั้งว่า จินตนการเชื่อมโยงไปสู่เอเชียมิเนอร์ที่เขาเรียกว่าสเตปปิ้งปิรามิดขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นทุกคนคงต้องฝันตามที่ผมพูดตลับเพราะว่าไม่มีภาพให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิให้ดูแต่ว่ามปนภาพประติมา ก, กรรมครับสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในแง่มุมของอาร์เคเต็กเจอร์นดิไซน์นะฮะที่การออกแบบทางสถาปัตยกรรมก็คือการใช้เฉลียงที่เรยทลกับผนัง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 ขึ้นไปสามชั้นครับฐานชั้นแรกนั้นถูกกลบทับไว้นานเท่าไหรไม่มีใครทราบได้ครับเรื่องน้าทึ่งก็คือที่ยังเป็นป ร, ริศนาต่ อ, อนักวิชาการก็คือเท่าที่เราสืบทราบก็คือเท่าที่หลักฐานเอื้อมหน่วยนั้นเมื่อสร้างบริโภคโเสร็จประมาณห้าสิบปีทันนั้นราชวงศ์ไซเรนก็ล้มสลายราชวงศ์ใหม่เป็นราชวงศ์ฮินดูแต่งไงก็ตามราชวงศ์ฮินดูนั้นก็ยังอุปสมบทั้จุน พระพุทธาสนาและบริวุธโธมันเกาะชวาอยู่เหมือนเดิมนึ่น่งด้วยมเหสียง1หนึ่งของกษัตริย์ฮินดูราชวงศ์ใหม่นั้นเป็นพุทธมีติลาเจลึกบ่งบอกหลักฐานว่าพระนางกราบทูลพระสวามีเพื่อจะไปนมัสการกามู ล, ลานใช้คำนี้นะฮะสิ่งทางราชการเชื่อนี่ต้องหมายถึงบริุธโธกามู ล, ลานกามู ล, ลานมันสันนิษฐานว่าคาหน้าเป็นภาษาชวา คำกลางมูละเนี่ยคือภาษาบาลีหรือสันสกิตที่แปลว่ารากในนั้นมีนักคิดสันนิษฐานว่าการสร้างบริบทที่ทุ่งเกดุนอกเหนือจะให้เป็นเจดีโลกแล้วยังเป็นการศั ก, กระบัพชนของราชวงศ์ไซเรนซึ่งเป็นมูลรากเพราะบ้านเกิดของราชวงศ์นี้อยู่ที่นั่นนี่อีกประการหนึ่งนะไม่มีใครทราบได้แม่ชัดนะครับว่าทาไม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 ผมพิจารณาตั้งแต่ยอดผมใช้เวลานานมากครับลืมความเหน็ดความเหนื่อยและความร้อนหมดลืมอายุสังขารตัวเองหมดนะครับเดินอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามจินตนาการว่าเขามีกรรมวิธีในการสร้างอย่างไรเนชะ่นการบริหารบุคลากรผมเชื่อต้องตั้งหมู่บ้านช่างแล้วก็ต้องเกณฑ์ประชาชนหลายตำบลเพื่อเป็นกองเสบียงน สิ่ที่พบที่น่าประหลาดก็คือเขาเริ่มแกะสลักจากข้างบนก่อนมือสร้างโครงสร้างด้วยหินเกลี้ยงที่ตัดเป็นก้อนเล็กซึ่งไม่มีมอเตอร์เชื่อมแต่ใช้น้ำหนักถูวงกันเองและทำเดรยสลักเพราะว่ามือมีแรงเคลื่อนของแผ่นดินอันเนื่องจากการที่ภูเข้าไฟระเบิดจะรักษาโครงสร้างหลักลวไว้ด้เมื่อสร้างโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแล้วก็เริ่มแกะสลักจากข้างบนลงมาก่อน จากแผนงานนั้นยอดเยี่ยมของนายช่างซึ่งเป็นใครไม่มีใครรู้เมื่อไม่มีใครรู้ในสุดประชาชนเองก็ต้องสร้างใครสักคนหนึ่งขึ้นมาจนได้และใครคนนั้นกำลังนอนหลับสนิทมาพันกว่าปีแล้วครับคือรูปลักษณ์ของภูเขาที่นอนเหยียดยาวมีสันเขาเาล่าจมูกและมีเครื่องเหลาก็เป็นซวงอกของผู้ที่กาลังนอนหลับสนิทและเรียกชื่อว่าคุณธรรม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 ซึ่งมีหินสลักมากมายครับมากเกินกว่าที่จะเล่าเาได้ถีทดียแต่พบสิ่งสำคัญมากก็คือสร้างไม่เสร็จกำลังเดินเช่นอยู่ซะลึกเข้าไปแล้วก็ไม่เสร็จหลายรูปด้วยนะลากรบว่าเกิดเหตุอย่างฉับพลันทันใดแล้วต้องยกเลิกทันทีแล้วก็หนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดกันทำให้นักคิดสันนิษฐานกันไปต่างๆนาน า, นานนครับผมเชื่อเหตุผลที่มีน้าหนักมากที่สุด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 ทน้นเวลากรณีรุ่นหลังต้องใช้อุตสาหะิริยะอย่างสูงมากครับน่าสรรเสริญน้ําใจเขาจริงๆเลยครับปัจจุบันนี้นั้นแม้เวลาจะผ่านมาถึงพันปีเศษภาพศิลักนันเลิ่อนลอยเหล่านั้นนะครับผุกร่อนไปแล้วแต่การเวลาและความผุกร่อนไม่อาจทําลายความงามอันเป็นอวตะนั้นได้ฟังดูแปลกนะครับ ความงามกนละเรื่องสมมว่าเราพบวัตถุศิลป์หักเนี่ยแต่เราพบปลายประดับชนีเราจะรู้ทันดีพระองค์นี้สวยหรือไม่สวยความงามนั้นทําลายไม่ได้ครับเรารู้ว่าศิลปินผู้สรรสร้างอันนี้เนี่ยเข้าถึงความงามเพียงใดเส้นสายแม้จะเหลือน้อยนิดเนี่ยเราจะจินตนาการต่อได้ว่าทั้งองค์จะงดงามเพียงใดที่บรุษพุทโธก็เป็นหนึ่งนั้นครับ ีภาพมากมายชั้นที่สองก็เป็นฉากของรูปภูมิครับอันแรกเป็นกามภูมิเมื่อเราเดินเหนื่อยแล้วนะครับเราจะยกระดับขึ้นสัมผัสพุทธประวัติแบบมหาญาณและชาดกเรื่องสุทนมโนานะราซึ่งน่าแปลกนะฮะที่คนไทยอยู่ในประเทศนี้เท่าไหรนไ่นะครับเจ็ดสิบล้านได้ครับผมเข้าใจประมาณนอกประเทศก็ประมาณในเจ็ดสิบล้าน โดยเฉพาะคนไทยแคว้นอัสซัมถ้าเราไปถามเขาว่าบับพปชนเขาคือใครเขาบอกบับพปชนคือโนราหรือถ้าเราไปถามคนปากใต้นะถามคนปากใต้จะสอนลูกสอนหลานทุกลุ่นมาบอกพวกแกนะมันตายายโนราเขาเรื่อนั่นนะครับคือบับพปชนเป็นโนราซึ่มน่าแปลกเหมือนตั้งแต่ชิงรายจดสงขลาปั ต, ตานีนะี้วรรณกรรมเรื่องสุดทนนี้ได้แทรกอยู่ในวิถีชีวิตของเขา กินรนนีนั้นคือถ้าเทียบไปทางฝรั่งทวันตกขึ้นนิ่มสัตว์ครึ่งนกครึ่งคนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการที่พระษุทนต้องออกติดตามอย่างแสนเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะได้รับสัตว์แสนสวยและสัตว์ซื่อที่สุดฉลาดที่สุดเมื่อคืนนั้นแทบจะใช้เวลาตั้งทั้งชีวิตเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันพอได้ยินชื่อเหล่านี้งคงนึกถึงสี่ประทานสี่ใช่ครับดังนั้นแสดงว่า ชาดกเรื่องนี้ที่จริงนั้นเป็นโครงสร้างภายในของมนุษย์กิน mm hmm. เลียนั่นคือสัตว์แสนสวยสิ่งที่สวยที่สุดซื่อที่สุดดีที่สุดซึ่งหลังจากได้รับมาแล้วไม่คุ้มครองให้ดี mm hmm. เธอก็โบกปีกกลับสู่หิมะผากลับสู่เขาไกรลาชที่อยู่ของบิดาเธอแล้วก็ทิ้งร่องรอยพระธรรมลงยาหอหนึ่งผมจาไม้หมดนะให้พระสุชนสวาทีรัก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 มองแง่หนึ่งเป็นนิทานชาดกธรรมดามองให้ลึกเป็นการเดินทางภายในครับป่าหิมพาน์นั้นจะพลนาถึงดงหวายดงไผ่ต้องผ่านภูเขากระทบกันต้องลอดใต้ท้องช้างต้องเดินบนสะพานงูเหลือมอะไรเหล่านี้นะฮะซึ่งที่จริงเข้าเรื่องปฏิจจสุ บ, บัติมาเสกสร้างให้เป็นตัวละครเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนหิมานะฮะเพื่อจะสอนธรรมะชั้นลึก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 เขาดันด้นต้อไปหาเทพธิดาราตรีต้องไปพบคอนโ น, น, น, น้นคนนี้ไปหากุบาอาจารย์ท้ายสุดก็ซัดเซไปนั่งอยู่ใต้ปราสาทของพระโพธิสัตว์สีอารยะเมตใจแล้วรู้ธรรมะที่นั่นนะรเราเห็นโครงโครงสร้างสองเรื่องมีแล้วเราพบว่าเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นเรื่องการดันด้นค้นหาความจริงของชีวิตนะดังนั้นเองนะครับทั่วทั้งสี่โลก ที่เป็นเมืองพุทธจะคุ้นหูกับเรื่องสุดทนมโนราหรือนางมโนราเนีมากแต่ปัจจุบันนี้อยู่ในรูปของการฟ้อนลัมเล่นเพื่อสนุกสนานหลังจากครั้งหนึ่งในอดีตในยุคของการสร้างศาลเหล่านั้นเต็มไปด้วยแก่นสารเป็นศาสนาพิธีป้าจ้าเมืองฟ้อนมโนรานเขาไม่เล่นนะฮะผมเคยให้คนภาคกลางไปดูตกใจเลยเพราะเขาคิดว่ามันเหมือนฟ้อนเล็บทั้งจึงใหม่ที่จริงคนละอ่อน มนุราบูชายันนั้นเป็นพิธีกรรมทักศาสนาเขาฟ้อนเพื่อบวงสูงต่อเทพเจ้าต่อพระโพธิศัตว์ okay. <c oughs> ผมได้พัลานามาพอสมควรกันเวลาแล้วนะฮะที่จริงได้ลิ้มลองนิดเดียวเท่านั้นเองแค่สิง่งในการคล้อยตามคำพูดเพ้อพกของคนที่ <c oughs> ไปหมายมั่นไว้กับบุรุบุโตดท่นันเองก็ <c oughs> <c oughs> ผมคงต้องเดินทางไปอีกหลายหนถ้าเป็นไปตามที่คาด ปัจจุบันนี้ผมได้ไ ด, ได้สื่อเรื่องนี้ให้กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาศิลปะได้รับทราบบ้างแล้วและหลายคนรู้สึกถึงความสําคัญที่ต้องกลับไปสู่รากเง้าของศาสตร์ศนสินหลังจากที่ปล่อยตัวเองให้เตลิดเปิดเบิงไปสู่เอศิลปะที่มันไร้ค่าหละไรความหมายอะไรเหล่านี้นะฮะตอนนี้ขอดูสไลด์กันขอให้เป็นที่เป็นเค้าโครงเท่านั้นครับ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 รวมระยะทางแล้วประมาณสามกิโลเมตรเฉพาะบนองพระมหาสุตุค น, นี้นะครับต่อไปครับลองถ่ายดูเหมือนสำหรับผู้ที่รู้เรื่องจหรือเปล่าแค่ไม่ต้องอธิบายเลยครับว่ามีความงามยังใดนะคต่อไปครับผมอธิบายได้ก็จะบอกนี่จะเมนเป็นฉากของเจ้าชายเมื่อสมัยที่ ทลองพระกำลังครับฝ่ายบ้านเราไม่มีนะฉากนี้เพียงแต่ว่าเจ้ชาชายเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆ่างนะคเหมือนฉากนี้มันฉากของการยิงขั้วตาด้วยขนูมีเรื่องเล่าซึ่งควรกก่การเล่าสู่ลูกหลานครับว่าในการแข่งกีฬานะครับเจ้าชายหรือผู้ที่มาเป็นผู้เจ้าในอนาคตหรือผู้ที่จะจัดสรุพระโพธิยา น, นั้นไม่มีวิธีการเอาชนะผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดความเขียดแค่และลิสยาเล่าไว้ในประวัติบางตอนว่าเมื่อทรงม้าแข่งกับเจ้าชายซึ่งเป็นพญาติรุงชักม้านําพอให้รู้พลังตัวเองพอรู้ชัดตัวเองชนะแน่แล้วก็ แ, แกล้งแ้แกล้งหย่อนม้าเพื่อถนอมน้ําใจผู้อื่นบางทีนี่จะเป็นร่องรอยของของการต่อสู้อีกแบบหนึ่ง แห่งความงามดูนะเดี๋ยวนี้บรุพุทโธได้ใช้ภาพนี้ครับภาพเจ้าชายวังนาถธนูนีครับซึ่งสง่างามมากน ะ, ะปั้นไว้ในทางเข้าบรุพุโยต่อไปครับที่เห็นดำๆนั่นคือสะไคา่น้ำครับซึ่งทางรัฐบาลและเจ้าหน้าที่นักเคมีได้รวมมือกันคิเคราะห์ถึงเชื้อไวรัส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 พุทธาสนาแต่เขาคงรักสถานที่นี้อย่างมากต่อไปครับวนนี้เองที่ผมเล่าให้ฟังสุดทนของมหายาณ น, นะครับคนหนุ่มซึ่งสอบแสวงหาความรู้เพื่อการสัตรู้สากนี้จะเหมือนจะไปกราบเทพที่ได้ม า, ากรีหรือสุดทนของมหายานแปลกนะเรียนจากครูทุกเพศเรี เหรียนยจากสัตร์ก็้นะวิชาที่เกี่ยวกับารสัลยนุนั้นผ่านมาทางเทพธิดาซึ่งเป็นสตรีเทพที่เขาไปกล่าวถ้านั้นคือท่ากล่าวครับเราต้องนึกนะครับว่าท่วงท่าของเราปัจจุบันนี้เนี่ยคลี่คลายเปลี่ยนแปลงมากแล้วเดี๋ยวเห็นภาพเจ้าชายกี่กันทกะออกบวดจะตกใจครับเพราะว่าท่าของเราไม่เหมือนในของเขาต่อไปครับ ผมนึกไม่ออกว่าเป็นภาพตอนไหนนะครับแต่ว่าภาพส่วนใหญ่แสดงอารมณ์นะครับเมื่อผมเดินอยู่ที่เฉลียงนั้นรู้สึกเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอยู่รอบตัวภาพวันนั้นมีชีวิตชีวามากๆครับอย่างน่าทึ่งดีครับตอไปครับที่เห็นเป็นรอยแท่งหินนะครับแสดงใช้หินก้อนเล็กเห็นไหมครับซึ่ง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 ทนะ่านไม่ต้องอธิบายเลยใช่หมครับดูเมือนเป็นปรัชญาปรมิตารครับเป็นร้อยร้อยพันพันเลยนะดูอย่างนี้นะแล้วก็เป็นแบบฉบับเป็นจายของศิลปะซึ่งขี้คลายจากอินเดียแล้วครับถ้าเราเห็นรูปปริมากรรมของอินเดียนั้นะเราจะพบว่าเต็มไปด้วยพลังนาจของเทพเจ้าเนะี ผู้ประกาชาวบ้านจริงๆ ข, ขึงขังแต่ว่าเมื่อมาถึงที่เกาะชวานะครับศิลปินผู้ ส, สร้างสิ่งเหล่านี้แม้จะได้รับอิทธิพลของอินเดียที่เรียกอินเดียนไนเซชันก็ตามแต่ได้บวกกับอุณิสัยใจคอของชาวชวาซึ่งอ่อนโยนต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์มากก็เกิดรูปทรงและศิล ป, ปะที่เรียกว่าสีวิถขึ้นงดงามยิ่งครับต่อไปครับ น, นี่ผมนิกไม่ออกครับภาพเอียงๆอยู่ด้วยต่อไปครับเออผมผมนึก <Okay. S 1> เหตุการณ์ไม่ได้นะฮะแต่ว่าดูเหมือนจะอยู่ชั้นบนสุดสามชั้นนั้นนายช่างตัดสินใจอย่างแม่นยำนะครับชั้นล่างจะแกะสลักแบบที่เรียกว่าหอยลิลิคือมีความลึกมากือ mm hmm. ชัดเจน ชั้นกลางซึ่งเป็นรูปกระพุอันแรกเป็นการกระพมนะดูเหมือนไอ้ความลึกตื้นขึ้นพอชั้นที่สามนี่เป็นโลลิฟล์แหละเบาบางชั้นที่สี่เป็นโลกุตรภูมิหายกันเลยคนระับไม่มีรูปหล่านี้เล้วทุกจุดถูกมองอย่างสำรวจตรวจสองโครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากทางวัตถุแล้วเป็นเครื่องสะท้อนโครงสร้างภายในกาพรพบรูพบรูพบแล้วโลกุตรภูมิ ต้นไม้ครับเขาออกแบบได้เป็นเป็น ร, ร้อยพันพันลักษณะนะนคันตีต้นไม้แห่งชีวิตที่งอกเงยอยู่ในสวนสวีเลยฉันบนสุดนี้สร้างจากพระคำภีคันทะวายุห่ของมหายานครับ โปรยเข้าต่อกดอกไม้เมื่อวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จข้ามแม่น้ําอโนมานะพุะทวารที่นี่แปลกมากครับพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่อยู่ในคันแล้วไม่มีฉากปฏิญญ า, าครับพระพุทธเจ้าพุทธะนั้นไม่เคยตายเรื่องห่าทึ่งมากกบแปลกประหลาดเขามีวิธีสื่ออะไรที่ลึกกว่าของเราเพดังนั้นเมื่อท่านออกบวชท่านก็เริ่มตั้งสอนแต่โดยเฉพาะเมื่อตอนเป็นทาลกน้อยนอนหลับอยู่ เมื่ออสิทธดาบทมาเยี่ยมพระราชบิดาเพื่อจะดูลักษณะของพระกุมารเนยเจ้าชายได้ยินด้วยทิพพยโสว่ามีฤาษีตนหนึ่งจะมาดูลักษณะทรงเมตตากรุณาตั้งแต่เป็นเด็กทาลกออนอนฟังอยู่ว่าอสิทธดาบททูนอะไรกับพระบิดาบ้างแล้วก็อาศัยความเอนดูซึ่งอบรมมาหลายแสนชาตินะฮะลืมตาขึ้นลุกจากตื่นตื่นนอนค้าๆ เตืนด้วยความเมตตาผู้อื่นเขาเขียนละเอียดมากนะครับดูดูในงานศิลปานะครับนั้กเทพธิดานี่หอบแล้วถ้าเคยไปที่นครศรีธรรมราชที่วิหารสมาร์ตหรืพบว่าเทวดาเนี่ยได้แบบแบบนี้หรือเชื่อมโยงกันครับซึ่งหนึ่งที่ล้มเลือนอธิบายในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็คือนอกจากศรีวิชัยนั้นเป็นที่ตกเฉียงกันว่าศูนย์รวมราชอานาจครั้งนั้นนะครับอยู่ที่ใดแน่ แตกก็เป็นสองทฤษฎีอยู่นะกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าคือสีวิชัยที่ชายาเพราะยังมีหลักฐานเหลืออยู่เช่นภูเขาชื่อสีวิชัยหรือตำบลที่ลงท้ายด้วยชายานะอา จ, จเป็นชื่อลัดสั้นของสีวิชัยาก็ได้แต่ที่สำคัญคือมีปฏิมากรรมพระโพสต์โปรโลกิเตสวนสำริดซึ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราค้นพบในประเทศนี้นะแต่ไม่มีปฏิมากรรมฉลักหิน แต่ที่ยอกยาการ์ตาที่บรบโดตั้งอยู่เดี๋ยวนี้นะครับเราพบปริอนุมรการมันล้ำเลิศในหินแต่ไม่พบในสำลิศใหญ่ๆนัน้นความขัดแยง้งมีอย่างรุนแรงเนยะปกตินะถ้าศิลปกรรมมันลุ่งเรืองกันที่หนึ่งที่ใดมันต้องถึงพร้อมและหลากหลายคือทั้งสำลิศทั้งหินทั้งอะไรนะแต่มันแยกส่วนกันอยู่นะอีกทฤษฎีหนึ่งกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าที่ปาลมบังนะ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 ไม่ต่อเนื่องกับอารธรรมอื่นแล้วถึงวันที่ลาจากไปก็ไม่มีลูกหลานหลงเหลือคือศิลปะบรชวานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันนี้ไม่เชื่อมประสานเชื่อมโยงและวืที่ว่าใช้แรงงานมากลาวเัาคนคนเดียวทํามีคุคนหนึ่งครับผมเชื่อเป็นคนที่มองค่อนข้างแม่นผมค่อนข้างเห็นด้วยคือคุณครูธรรมชาตุพาณิชย์ น้องชายของทนาจารย์ส่วนโมกนะครครูพยายามที่จะเสลยปัญหานี้กับเขาด้วยคนหนึ่งแล้วท่านก็ชี้แนะว่าการปกครองของราชอาณาจักรทะเลใต้ของราชวงศ์ศรีวิชัยนั้นใช้ระบบโรดทัลี่คือไม่มีศูนย์รวมหน้าที่แน่นอนกินช่วงนานแต่โยกย้ายอันเนื่องแต่บุญยบารมีของพระราชาราชวงศ์นี้ เช่นยุคใดที่ก็จะรป็นดินราชวงศ์เซเลนทรานะครับประทับอยู่ที่ชายาแล้วมีบารมีสูงศูนย์รวมก็อยรวมที่นั่นแล้วย้ายไปที่เขเมรโบราณย้ายไปที่ปะลัมบังโรเทสเข้าใจนะครับและดังนั้นมหาสถูปที่นี่ถูกร่วมแรงร่วมใจของราชอาณาจักรศรีวิชัยทั้งหมดรวบกันสร้าง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 ต่อไปครับอันนี้เนื่องจากถ่ายแง่มันนิดน่ะเลยดูสัดส่วนก็คือท่อนล่างยาวท่อนล่างดูจะเป็นประทีปครับที่เป็นเปลวขึ้นไปนั่นลายละเอียดเราจะเก็บรายละเอียดนี้ศึกษามันอย่างไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นครับชั้นที่สองและที่สามซึ่งมีลักษณะเงื่อนไขจํากัดในการสร้างรูปแบบเช่นการแต่งตัวในพุทธวัติ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 ประวัติศาสตร์ที่จดจาร์โดยน้ำมือมนุษย์นั้นอาจจะถูกบิดเบือนในช่อฉนได้ง่ายครับขึ้นกว่าว่าผู้จดจาร์ผู้เขียนนั้นมีอคติเขียนหลอกลวงหรือเติมแต้มสีสันขึ้นกระดาษแต่สำหรับหน้าต่างของศิลปะแล้วบิดเบือนไม่ได้ครับหรือถ้ายุคสมัยนั้นผู้คนชีวิตด้านในเจริญรุ่งเรืองนี่ก็จะสร้างสารรค์ศิลปะบริสุทธิ์ขึ้นมาเขาจะแกล้งทำเป็นไม่เป็นก็ไม่ได้ หรือตกตำเส่อมซามแซงสร้างศิลปะให้สูงส่งทำไม่ได้ครับเพราะศิลปะเป็นเพื่อนสะท้อนอารมณ์สุนทรีอันเลอเลอในภายในออกมอันดันั้นเมื่อเรามองสังคมผ่านทางหน้าตาหรือบริทัศน์ของศิลปะแล้วเราจะเห็นความจริงตรงๆครับคือข้างในขุกรนจะสร้างสารรค์ศิลปะไม่ได้ให้เลอเลนไม่ได้ นี่คือข้อเท็จจริงในตรงันต่อไปครับที่ยังอยู่ที่ฐานล่างครับต่อไปนะน่าเสียดายเหลือเกินครับที่กล้องจับได้เป็นมุมๆเราไม่สามารถเห็นภาพทั้งหมดนี้ได้นะเห็นแล้วจะรู้สึกว่าโอ้เข่าอ่อนเหมือนที่ผมเป็นเลยครับ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 เคงไมายครงมือเพื่อสนองชีวิตด้านนอกซึ่งน้นแล้วแต่นำไปสู่วิกฤตการณ์แผ่ขยายกว้างออกทุกทีต่ อ, อไปครั บ, รบซึ่ง่านงามครับดูองค์กลางรหรือท่วงท่าที่ยืนนิ่มนวลสำหรับความกข้ตใจของผมในฐานะที่เคยเรียนศิลปะมาบ้างผมถือว่างานศิลปะที่นี่ทะลุทะลวงยุคสมัยแล้วครับ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 นุ่มนวลกว่าและะเอียดอ่อนกว่าโดยเฉพาะไอ้ความเข้าใจในกรุ๊ปปิ้งนะฮะในวิชาจิติปยา ม, มีเวลาวางองค์ประกอบเนะีย่ยเขียนตัวฟิกเกอร์มากๆเนี่ยเขาเฉลียวฉลาดเหลือเกินนะล้วข้างหน้านี่คงเป็นร้วไม้แน่ใช่ฮะแต่เขาสลักถ่ายทอดล้วของชาวชวเมืม่อสมัยโน้นอนยะ่งเฉากนั้นจำไม่ได้ครับ นี่คือกินรีครับตอนกินรีถูกบังคับให้ให้ตายนะครับด้วยด้วยการเผาเ น, นื่องจากการกล่นแกล้งกันกินรีก็ซึ่งเป็นสัตว์แสนสวยและสุดฉลาดก็ขอให้สระธานปีกระหางเพื่อจะฟ้อนลาพระพระสวามีนะครดังนั้นถ้าพูดภาษาฝรั่งว่าภาพนี้คือมโนราอินกริฟ พุนราในท่าที่โศกเศร้าแต่ฟ้อนลำให้ให้ให้งดงามถึงที่สุดซัดท่าให้วิเศษสุดเพื่อที่ก่อนที่บอยบินกลับสู่ไกร ล, ล้านเราจะพบภาพที่แปลกไปนะฮะเราเห็นฝูงนกบินตามจินรีด้วยครับซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างเป็นอัตวิอัตนายของตัวศิลปินนเองในพระกำปินไม่ได้บอกไว้นะครับว่านกบินตาม แต่ศิลปินมีอะไรบางสิ่งที่เขามีอิสระศิลาพที่จะเติมในสิ่งที่เขารู้สึกว่าต้องมีเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ที่เหมือนมโหัลีนะเป็นซิมโฟนีทางสืเสียงในการชื่นชมศิลปะนะครับถ้าศิลปะนั้นทะลุทะลวงว่วงการเวลาได้แล้วนะครับประติมากรรมจะสะท้อนดนตรีมาด้วยคือมันจะทะลุทลวงออกทุกมิติในประติมากรรมจะมีจิตกรรมครับ ในกิจกรรมจะมีหน้าตลักษณนี่เป็นท่านหน้าตลักษณ์ด้วยนีฮยไอ้นี้นี่เหมือนฐานล่างที่ว่านะฐานกรรมวิพังอันนี้คนรบดแล้วนะผมเข้าใจอันนี้เป็นออสุริยเทพครับโบทพรมพนันใกล้ๆกันครับสีไม้ลายมือก็เข้าใจว่าหยิบยืมกัน หรือเชื่อมโยงกันอยู่นะต่างยุคต่างสมัยแต่ว่าสไตล์ทางศิลปะนี่ยังเชื่อมโยงและผมเชื่อว่าช่างก็สืบสกุลเดียวกันด้วยงดงามมากนะภาพนี้ดยตป็นภสวิสเทส <c oughs> นึกไม่ออกครับเป็นภาพอะไรดูนะฮะโดยเฉพาะ อ, องค์ที่ นับใบหน้านะองค์ที่สามจากขวามือนะงามบริสุทธิ์เหลือเกินเทพปชดาทั้งหลายกำลังอนุโมทนาครับเ mm hmm. มื่อพระพุทธองค์เ mm hmm. จ้าชายสุ ด, ด็จขี่กัญทกะ mm hmm. เหินไปในท้องฟ้าครับแต่เดี๋ยวจะเห็นความแปลกประหลาด mm hmm. ตอนนี้ยังไม่ถึงฉากพระชนมานนะแต่ว่าพระเจ้าสอน ต, ต, ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมือเลนะ ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วแต่ครับอันนี้จะเป็นบรรจัหวัตีหรือไม่ผมไม่แน่ใจคนระไม่แน่ใจ ต่อไปครับจะเป็นโพรษัตวองค์หนึ่งองค์ใดครับถ้ามีพุทธรูปนั่งอที่หน้าผาเราต้องเข้าใจทันทีก็คือเอาโลกิเตส่วนเนื้แต่นี้ดูไม่ชัดครับ นี่จะเป็นสีอารยธมเมตไตรครับสังเกตได้จากเสื้อปุณนในเหตุนี้ครอบกับพิเศษฝากไทยทั้งหมดสีอารยธมเมตไตรคือพระพุทธเจ้าแห่งอนาคตรั นี่เหมือนจะข้ามแม่นะ้มามโนมาดูเส้นจีวรครับริ้วไม่ลัลงเรือนมากครับที่เห็นหินเกลี้ยงนั้นหมายความว่าภาพต้นแบบจริงๆนั้นพัทงทลายหาไม่เจอครับหลังจากบุรณะ ถ้าเวลาร้อยปีบุรณะขึ้นใหม่ได้เท่าที่เป็นอยู่นี้แล้วนะครับเหลือหินที่ต้องทําจิกซอจิกต่อหมายังเล่นภาพติดต่อนะแล้วมันต่อไม่ลงเนี่ยกองเป็นภูเขาเรากาลเนยคือไม่รู้ไม่รู้จะต่อก็ไปส่วนไหนไมันเหมือนเกมกีฬาของเด็กๆที่เรียกจิกซอใช่ไหมฮะที่ติดต่อภาพภาพต่อเติมเนี่ต่อแล้วต่อไม่ลงครับต้องสร้างวัตัณฑ์อีกแห่งหนึงขึ้นมาเพื่อคุ้นคลองนะ บ, บอกเล่าไว้อีกนิดนครับ ใกล้ๆกับบริบูรนมีเซบูครับมีเจดีอีก400องค์ใหญ่ๆซึ่งรัฐบาลในโนโเซเซไม่มีเงินที่จะฟื้นฟูโบนัทมาเขาคงต้องรอชาวพุทธทั่วโลกช่วยเหลือครับ400องค์ครับอ ง, องค์ใหญ่ๆทั้งนั้นต่อไปครับ เห็นไดชัดว่าจินตนาการของช่างที่สว่าต่อพระพุทธองค์คการหิ้วบาทานั่นคือถุงบาทไม่ใช่ถลกบาทเนเป็นถุงสี่เรัยห่นแล้วมีบาทเหมือนจะภาพเดียวกั น, นครับภาพรวม ข้างบนที่ลอยอยู่นั่นคือเทพธิดาและเทพประมุขนโปรยปลายดอกไม้สังเกตท่านนั่งไงดีครับนั่งชันเข่าแล้วดูเหมือนจะมีสายรัดระหว่างเอวค่อนบนนะครับสูงอกกับเข่าพวกเราอาจจะน่าทดลองใช้บ้างนั่งอาจจะสบายก็ได้นะฮะไม่ต้องไปซื้อโซ ฟ, ฟาหรืออ่ามแช่เพื่อน แดงโบราณเขาเขาค้นหาท่าโยคะได้ผมเคยทดลองรู้กสบายมากครับแต่นั่งนานไม่ได้อันนี้ก็เป็นเท่านั้นเหมือนกันครับตอนนี้ผมบอกให้อาจารย์ยุทธศักดิ์ถ่ายเองครับสรรพลักษ์ของความรักสนิทสนมของผู้บริษัทธ์ของผู้เจ้ากับยโสธรพิมพาหรือ กัจนานครับคืที่แดงัจนาคือพุทธวัตรของมหายานว่าเล่าว่าสเสด็จจูงมือยโสธราพิมพามาแนะนำให้พวกชาววังรู้จักเจ้าชายเป็นผู้ที่มีมนุษยธรรมและความอ่อนโยนสูงยิง่งครับพระรามนี้เขบอกที่มือเนี่ยสวยไิเสษ็จอาจารย์เขาเลยถ่ายว่าจูงมืออยู่นะมือของยโสธร า, าอยู่ในมือของ เ จ, จา้าชายศิกขะนี่ก็สวยมากมะนะฮะน่าจะผุกร่อนอะไรก็ตามปัญหาหลักที่บุรุษทศเผชิญมาพันกว่าปีนั้นก็คือน้ำฝนนะฮะน้ำฝนได้ซ้อลึกลงไปหินข้างล่างจนเข้าไปเกิดเชื้อราแล้วก็กลับกร้อนเดี๋ยวนี้นักวิชาการได้ใช้ คุณทราชาวสำรวจเหมือนทุกๆช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อคุ้มครองให้ถึงที่สุดครัขบขบวนชางและมาเสด็จเหมือนเสด็จเรียบพระนครหรืออย่างไรผมไม่มั่นใจครับดูการเคลื่อนไหวนะเวลาเราดูศิลปะเราดูเส้นที่มันสอดสารรับกันแนละ้วก่อเกิดความเคลื่อนไหว ท่วงทำนองเนิบช้าหรือว่าเร่งรัดหรือเร่งรีบอะไรก็ตามมีเรื่องพุทธวัติเล่าไม่ตรงกันทั้งฝ่ายหินยานและมาหายานนะครับของเราเล่าว่า เ, เมื่อมายาทีวีจะประสูตรราชโอรสเหนือเสด็จ ก, กลับเทวทหานครเมืองแม่เมืองบันดาตามขนบประเพณีโบราณ แต่มหายาลไม่ได้รับรองความคิดนี้ควาคิดของหายาชาวหายาลก็คือเพียงแต่มายาทีวีประสงค์จะไปเที่ยวที่สวนป่าเท่านั้นเองจะไปเที่ยวชื่นชมเพราะไปฤดูที่ดอกสาระกําลังเบ่งบานวุ่นงามมากเหล่นั้นพนางก็ไปเพื่อจะเล่นสารพันจิกาการหักช่อดอกสาระช่อดอกไม้ของกุศลปรารถนาคว้างเล่นกันเป็นเกมกีฬา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 เราบางเรียนพ่อแม่จะไปส่งนะแต่ว่าในพุทธวัตรมหาญาณเนี่ยเทวดาหลายชั้นในสงสวรรค์นำทางโลกไปกรรมวิพังนครับที่ฐานที่ถูกกลบผมเล่าค้างไว้นิดนึงฮ ะ, ะเมื่อถูกกลบแล้วนี่น ะ, ะกลบมาพันกว่าปีแล้วน ะ, ะไม่ใช่เพิ่งกลบนะ นี้เมือ น, นักโบราณดีวันเอิร์ึเป็นชาวเหมือนเดนมานร์กฮะบูรณะเป็นคนแรกเนี่ยเขาค้นพบโดยบังเอิญครับคือไปขุดส่วนหนึ่งเขาเลยเป็นเหตุท่องสาวต่อขุดลงไปเรื่อยๆไ ป, ไปจนในสุดเขาเห็นภาพเปิดเผยภาพเหล่า น, นี้นะฮะงามสะการตายิิงครับในสุดเขาก็ขุดรอบเลยนะครับฐานทั้งหมดเนื้อที่หลายตารางวาทีเดียวครับแต่แล้วก็เกิดเฉลียวใจหลังจากขุดรอบหมดแล้วทีงว่าว่าเขาตกทำไม ควานึกได้ก็าถมกันอย่างทันทีเลยครักล mm. ัว mm. ว่าฐานมันจะพังลงมาโวยเหตุผล ท, ที่ไม่แน่ชัดพ mm. รกรบทัพแล้วแวนเอิร์สก็กลับบ้านเกิดเมึงนอนพรอหมดงบประมาณแล้วอํานาจรัฐที่ปกครองในน้อเซีก็เปลี่ยนมือเมือ mm. เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้อีกเลยว่ามีฐานเลยนะหลังจากเปิดเผยมาเมื่อร้อยปีเพียงช่วงสั้นแล้วนะครับตากล้องคนที่ถ่ายภาพเหล่านี้ไม่ได้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 สงา่างามมากนะอนี้นั่นงภาพพระโพิษ์ทุกภาพจะให้ความรู้สึกที่เชื่อมั่นในธรรมะนะซึ่งเราดูแล้วเราจะารู้สึกคล้อยตามนะครับ mm hmm. เป็นทุ่งท่าที่ยืนอย่างสง่างามผู้ ท, ที่ท่าทาเยเรโชคชะตานะ <c oughs> ผม ไ, ไม่ออกครับว่าเป็นภาพอะไร แสงจ้าไปนหนึ่งเพราะเวลาถ่ายนี่มันเราแทบจะเลือกเวลาไม่ได้เลยเนยะนั่นคือตั้งแต่สามโมงถึงถึงบ่ายสามโมงนี่ไม่มีที่จะแทรกตัวขึ้นไปเลยนะทุกวันบางทีต้องอดทนมากต้องนั่งรออยู่จกนกระทั่งใกล้พรบจริงๆเนะ่ก่อนที่ประตูหน้าจะปิดจึงจะสามารถสัมผัสบรรยากาศที่ ขลังและศักดิ์สิทธิ์ได้ครับต่อไปครับนี่คือ ก, การละมุก ค, ครับประตูแห่งกาละก็จะทำไว้สามขั้นครับหมายความว่าเมื่อจิตถูกยกระดับขึ้นสู่จากการมภูมิไปสู่รูปภูมิไปสู่รูปภู ม, ภมนะิแล้วหลุดพ้นไปโลกระภูมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเซนซ์ซับไทม์ครับการความรู้สึกเนื่องกับเวลาเปลี่ยนไปเป็นชั้นเป็นฐานสามหน ต้นไม้อย่างชีวิตเข้าใจว่าร่วมร่ากับความหมายคำว่าต้นการประพฤกษ์กันนะครับซึ่งฝ่ายเถรวาทเชื่อว่าต้นการพรึ่งขึ้นสี่มุมเมืองหมายถึงความมั่งคั่งของชุมชนหรือถิ่นฐานนั้นต่อไปครับ <c oughs> อันนี้เรียก ม, มะกรอนีครับซุ้มจระนาที่เห็นนี่นะมีพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับห้าร้อยสี่องค์ จกรทั่งว่าศิลอาะลึกบางแห่งร่วมสมัยหรือใกล้เคียงนะยุคสมัยที่ใกล้เคียงเรียกที่นี่ว่าภูเขาแห่งพุทธเรามีบันทึกของคนนอกซึ่งไม่รู้จักมันแสดงไม่ใช่ชาวพุทธนเขาบันทึกว่าได้ไปเห็นโบสถ์ที่มีพุทูปนับพันธม่ร้แล้วก็มีมปราดผู้เท่าที่ถูก จำกรงอยู่ในในคุกเดี๋ยวจะรู้ว่าคืออะไรสวยมากนะครับกลุ่มนี้พระจำกรงคือสถูปเจดสององค์ข้างบนเนอะเป็นสัญลักษณ์ของสภาวธรรมครับอันนี้เป็นภาพสเก็ตของอาจารย์ยุทธศักดิ์ซึ่งเขาแม่นยำมากก็ใช้เวลาที่ช่วงสั้นนิดเดียวในขณะที่ถูกเบียดทั้งซ้ายทั้งขวาสามารถถ่ายทอดผมทักนาไปเพราะว่า คนหนุ่มคนนี้เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะสื่อความงามของบรรพบุรุษชาวพุทธแม้จะเป็นชาวากะตามเขาไวมากครับก็าใช้เวลาตับเดียวนั่นี้แต่เหมือนสมาธิเขาแก่กล้า พ, พอใช้ครับเพราะว่าถ้าคนไม่มีสมาธิจะทำไม่ได้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 การสเก็ตภาพนี้ความสำคัญลึกซึ้งกว่าการถ่ายภาพครับสีไม่ได้นะครับพี่ริงสีสวยกันีมากครับแต่ว่าตอนถ่ายคลายไ ม, ไม่ไม่สมบูรณ์ ที่นี้พูดได้ว่าเกิดกลุ่มสตดดูดีิโอโรบโดีพแล้วครับถึงเวลาทิ้งสมองครับห้ง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 ได้แต่เดากันไปนะแต่ผลก็คื อ, อ, อผลก็คือสิ่งที่เขาปรารถนาที่จะให้แนบสนิทบรรลุเป้าหมายนั้นครับแสดงเขาต้องมีช่างที่ฝนผมเชื่อเขาจะแบ่งงานกันนะช่างตัดช่างกลาวช่างฝนจนกระทั่งช่างวาดแล้วต้องตั้งหมู่บ้านเหมือนที่ตุนหวางนะครับตุนหวางหรือตุนหวงที่สี่นั้นพบล่องลอยข้างหมู่บ้านคนระับคือหมู่บ้านช่าง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 ที่ต้องหนีตายกันนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะจะเป็นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินสะเทือนจงกระทั่งว่าผู้นำตัดสินใจรักษาโครงสร้างทั้งหมดไว้โดยยอมสูญเสียท่าล่างเอดินปฐมไวสิบเมตรได้นะับท่าล่างนึนงค่อนข้างเป็นภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโลกีด้วยนะฮะมีลักษณะของวัตรยานตันจะมีเรื่องเมถุนธรรมอะไรซึ่ง อาจจะมีสาเหตุทางด้านจะิยธรรมอยู่บ้างเล็กน้อยครับแต่ไม่เด่นชัดเท่ากับว่าฟุกุโอไฟระเบิดเพราะว่าถ้าสมมุติว่ากรบเพื่อปิดบังภาพที่อุจาร์มันไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นแกออกก็ได้ครับแกออกซก็ได้ทิ้งไปก็ได้แต่ว่าเขาไม่ทําอย่างนั้นผ ม, มเชื่อมั่นว่าเหตุผลหลักก็คือปรากฏการธรรมชาติซึ่งจะทําลายโครงสร้างหลักข้างบินไปกลับประมาณหมื่น สองร้อหสิบาทครับผมไม่ได้โฆษณาให้บริษัทการบินนะผมเชื่อว่าตอนที่เขาเลือกสถานที่นะฮะตรงใจกลางของทุ่งล า, า, าบเกดูเขาเรียกทุ่งลาบเกดูนะฮะมันมีเนินย่อมๆที่เป็นหินอยู่คือภูเขาที่โผล่ขึ้นมาเพรายอดที่เป็นหินนะฮะแต่รากข้างล่างเป็นภูเขาทั้งแท่งนะเขาก็เลือกสร้างบนนี้เลยครับคือใช้ไม่ต้องคํานึงถึงการตอกฐานราก เพื่อเพิ่มสมรรถนะอเนะคือสร้างบนภูเขานี้เลยนะฮะอาศัยธรรมชาตินั่นเองเป็นฐานล่า ง, าางที่จริงมีสถตวุบริวารอยู่นะฮือจันดีเมนดุตจันดีเมนดุตจันดีประวณแล้วก็จันดีบรรุตโตนะฮะทั้งสามสิ่งนี้เนื่องและสัมพันธ์กันครับเพื่อเป็นทางจากทางเข้าใหญ่เเก้ากิโลนะฮะเมื่อสะสนิกที่ที่เดินหรือพระราชานะครับครั้งกันนั้นเนี่ยนั่งช้างมาคดีก็มาพัก แห่งแรกต่อมาาจะนั่งมา้านั่งหลังมา้าซึ่งเป็นเพนีโบราณสืบเนื่องมาจากพระเจ้าพิมพิสารนะฮะเมื่อเสด็จไปเฝ้าพุทธองค์ที่คิชกูดเพื่อจะแสดงคารวะอย่างสูงก็คือนั่งช้างมาท่อนหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นนั่งหลังมา้าแล้วก็เดินเท้าธรรมทักษิณ น, นะฮะที่นี่เข้าใจว่าคงได้ต้นแบบมาอย่างนั้นครับจึงสร้างปากทางเป็นจันดีเสียงคล้ายๆเจดีนะฮะแต่ผขไม่แน่ใจนะว่า ม, มันจะโยงกันหรือเปล่านะ จันดีเมนดุซึ่งมีพุทธรูปที่สวยงามมากนะฮะโพยสัตว์รโรยเต่สวนมีงดงามยิ่งต่อมาอีกจากจันดีเมนดุตถึงบรอบุโตนี่สามกิโลพอดีครับประวลอยู่ตรงกลางครับค่้ยๆพักเป็นช่วงช่วงขึ้นมาทีนี้ถ้าจะถามว่าบรอบุโดมีเป้าหมายฟังชั่นนะครับเป้าหมายเพื่ออะไรกันแน่ผมตอบได้เลยนะฮะในหลายหลาย มรติที่ว่าการแรกจะสร้างเจดีแห่งโลกตราของโลกที่พบหรือบางคนคิดสนนิฐานว่าเป็นคอสมิกเมล์เท่นนะฮะเป็นภูเขาแห่งจั ก, กรวาลเป็นมณฑนธรรมพูดกันเป็นร้อยๆความเห็นเลยเป็นร้อยๆคำเลยนะแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือเป็นที่อภิเศษผู้มาใหม่ครับอภิเศกหมายถึงาการบวชเพื่อยกระดับ บางทีนะครับอนนี้ต้องใช้คาบางทีอาจจะเป็นที่กระทำให้คนรู้สึกเปลี่ยนแปลงโดยใช้สถาปัตยกรรมนะซึ่งนับเป็นความเฉลียวฉลาดตัวนายช่างถาปนิกเองต้องต้องลึกซึ้งมากจึงสามารถประสาน ร, ระหว่าง i ท e s สเป e การยกกระดับผนังที่กั้น เมื่อเรานั่งในห้องนี้นะความรู้สึกที่เรารับรู้จากผนังเนี่ยห้องกว้างไปทางนี้ก็ร้อยวาเนี่ฮเราจะรู้สึ ก, กแบบนีนบ้เรารู้สึกภายในเป็นมิติเนื่องกับภายนอกครับผมหมายที่ผิวหน้านะฮะเมื่อเราเข้าไปที่โบสถ์รู้สึกสงบอย่างตลาดนะที่นี่ถูกออกแบบว่าอย่างดีนะฮะเพื่ออินิเช่เพื่อ initiate, พอพิเศษผู้เข้าไปในสถานที่นั้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่เวิร์คครับเพราะรวนแล้วแต่เปนนักท่องเที่ยว ไปกันเป็นกระแสน้ําเลยครับแต่ถ้าใครไปเพื่อเจตนารมณ์ดั้งเดิมนั้นจะพบความลําบากผมเองก็พบครับแต่ว่าตัดสินใจไม่สนใจใครตรงนั้นนั่งตรงนั้นนะครับทําอะไรที่เราอยากจะทําการภาวนาหรืออะไรนี้ซึ่งลําบากมากครับ อ, อสมุทรชนที่รอเวลาที่คนหมดแล้วเป็นโชคดีนิดนึงตรงที่รัฐบาล เ, เขาเข้าใจ ความต้องการที่แท้จริงชาวพุทธเขาก็อนุญาตให้ชาวพุทธที่จะไปประกอบพิธีกรรมหรือทำกิจภาวนาเนี่ยเข้าไปในตอนคืนได้แต่ต้องไปเช่าบ้านพักรัฐบาลอยู่ ม, มีบ้านพักแพงนิดหน่อยครับอาหารพร้อมมีผมไม่ได้โฆษณาคือละแปดร้อยบาทของเราเนี่บแปร้ยบาทนี่หมายถึงอาหารทุกมื้อเลยค แล้วก็นอนได้สามคนซึ่งเมื่อต่อแปดรอยบาทต่อห้องครับมันเป็นเช่นนั้นสามารถขึ้นไปบนบรมโดได้ทุกเวลาใกล้สว่างหรือเชี่งคืนได้ผมก็จะมีไม่มากครับไม่มากนักครับไม่มากแล้วบ้านพักของเอกชนธรรมดาก็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 เพราะที่ดินนั้นเป็นของมหันของสาสนาฮินดูนิกายหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้อนาคาริกะธรมปาระได้ต่อสู้โดยการช่วยเหลือของมหาธ ร, รมทันทีนะครับเพื่อให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวพุทธแต่ในีสุดก็จะเรียกไม่บรรลุเป้าหมายต้องตั้งกรรมการร่วมนะเพราะาตัวสถูกสถานที่นั้นเนี่ยนะครับ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 ถ้าเป็นไปได้มีตังใช้พอที่จะเดินทางนะผมผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นบุญตามากๆที่มันจะเร้าศรัทธาให้เกิดขึ้นในคำนองที่ว่าทำไมเนาะคนโบราณเขาถึงจริงจังมากจริงใจมากในเรื่องเหล่า น, นี้นะประจักษ์พยาณ น, นี้อาจจะกระตุ้นเตือนให้เราทำอะไรบ้างเพื่อประโยชน์สังคมโลกต่อขึ้นมนุษย์ แต่แม้ว่าไม่ได้ไปดูได้ยินได้ฟังก็น่าจะสบายอารมณ์ขึ้นบ้างหรือเปล่าครับคือคือสิ่งสวยงามเมื่อถูกระบุถึงเนื้อที่จริงความเงาเน้นซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจเงาเองครับเหมือนกว่าเรารักแม่เรารู้สึกแม่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกทั้งทั้งที่แม่เราจริงจอาจจะผิวกระดำกระด่า ง, งเหมือนเหมือนแม่คนอื่นพองามนั้นเป็นแสงสว่างในจิตใจนะครับ คำเพีร์วิธ ร, รมบอกเราว่าเมื่อจิตดวงที่ชื่อว่าโสพนะจิตจิตงามปรากฏนะปัญญาก็จะตามมาความงามเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยเรื่องในสิ่งอิตาเนื้อเห็นนะครส่วนใหญ่อิจาเนื้อเห็ น, นันเป็นเรื่อง ส, อสวยแล้วมั ก, กเป็นเรื่องกิเลสตัณหาไปจิตใจที่งดงามมันจะเห็นความงามในสิ่งที่เป็นอยู่เองในธรรมชาติได้ต้นไม้ในตัวมัน มันไม่งามหรือมันไม่ไม่งามนะครแต่เมื่อจิตใจงามนั้นเราจะรู้สึกถึงความงามได้เห็นแสงแดดหรือได้เห็นน้ําปลาที่แหวกว่ายในน้ําอะไรอย่างนี้ยคุยง่ายว่าจากความงามภายในเนี่มันจะส่งแสงออกมาภายนอกนะแต่ทุกวันนิ้มจะกลับกันเลครับการประกวดนางงามันดูจะมืดๆอยู่ดูจะมีอะไรพิลึกพิลึ ก, ลกและสวนทางกับคาสอนของพระเจ้าอยู่ไม่ใช่น้อยครับดูเห ม, มือนจะเป็นการคาอยู่เบื้องหลัง การใช้เพื่อนมนุษย์<ม>เพื่อเพื่อเงินซึ่งเป็นเรื่องธรรมเลยครับมีคำถามอีกไหมครับประมาณสิบนาทีได้ครับไปพักได้เลยครับสมมติเราไปวิธีไปนะครับก็คือจับเครื่อง บ, บ, บินจากกรุงเทพบินตรงไปลงจา ก, การตาเมืองหลวงนะฮะ เราอาจซื้อตัวที่กรุงเทพนี้เองนะครับกระดุดาแอร์ไลน์ต่อได้เลยครับไม่ไม่ต้องไปค้างคืนทีกก่จาการตาซึ่งเมืงสปปกปรกฟอกรกรุงเทพนน ะ, ะเราสามารถต่อขึ้นบินภายในประเทศไปลงที่ยอชยาจ็อกยาการตามึงหลวงเก่านะเมือถึงที่นั่นแล้วก็ยังไม่ทันมืดครับเหมาแท็กซี่ก็ได้เพราะว่าจากจ็อกจาการตาไปสู่บราบูโตประมาณสี่สิบห้ากิโลได้ครับเหมาแท็กซี่ก็ได้หรือ ถ้าอยากชื่นชมยอคยาเมืองล้งเก่าเป็นชนบทเล็กๆครับน่าน่าน่าน่าน่าสนใจเหมือนกันก็จะดูหนังตะลุงหรือวายังหรืออะไรตามภาษาคนมีสตังเหลือนะฮะก็าอาจจะพักคืนหนึ่งที่ยอคยาแล้วก็เพียงคืนเดียวนะรุ่งเช้าก็เก็บข้าวก็บของไปพักที่บรบูรณ์เลยชื่นชมที่นั่นแล้วก็อาจมีเวลาไปที่พรหมพนันธเนะื้อพรหมบานังเนี่ยซึ่งเป็นฮิน ด, ดู สร้างหลังบปดโ ด, โดสวยมากเหมือนกันครับน่าน่าทัหน่าดูน่าดูน่าชมเดีดแล้วต่อจากนั้นก็ไปเซบูใกล้ๆกันครับที่ว่าสี่ร้อยองค์ซึ่งลังเป็นก้อนหินล้วนๆอยูน่นะแล้วยังมีปอลซันปอลซันนี่สวยมากครับสวยแต่ว่าคนไม่ค่อยไปเพราะมันไม่มีรถเมล์ครับแต่ผมไปพูดกับคนมีรถยนต์คนหนึ่งที่เขา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 พื้นที่ส่วนใหญ่ของบาหลีเป็นหลุมภูเขาไฟครับดังนั้นมันก็อนุรักษ์ปกป้องไม่ให้เกิดการพัฒนาที่แสนอับยศดเนี่ยนะผมเติมท้ายหน่อยนะการพัฒนาแสนอับยะคือทําลายทุกสิ่งลงเพียงเพื่อความสะดวกสบายนะในการเสรต่างๆเมื่อเป็นลุกเขาไฟนี่มันเป็นริ้วอย่างนี้ครับและมีน้ําลําธารไหลข้างล่างจะพัฒนาอะไรต้องทุ่มเงาประมาณมหาศาลนะครับ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 เพียงเพื่อสนุกเพิงเกตดูสวนสนุกเกิดขึ้นมากนะเพราะคนมันเหลวไหลขึ้นชอบสนุกกับเรื่องแบบนี้ครับจวนการรื่นรมในวิญญาณนี่มันเป็นอีกแบบหนึ่งผมไม่ชอบอย่างหนึ่งที่บรูไบท์โอคือสวนข้างหน้าซึ่งแต่เดิมเป็นป่านะครับถูกปรับให้เป็นสวนสนุกคล้ายดิสนีย์แลนด์ดูแล้วมันไม่ไม่ได้บรรยากาศที่จริงควรรักษาป่าปโปร่งไว้ตามเดิมครับเพื่อให้มันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมมากที่สุด เพราะว่าเมื่อเราไปชื่นชมอะไรสักอย่างหนึ่งเราชื่นชมทั้งบรรยากาศนะคือทั้งหมดของมันนั่นเองครับแต่ดูมันรัฐบาลกลางจะไม่ไม่ค่อยตัดสินใจมาในแนวทางนี้จำเป็นที่เขาต้องต่อสู้เพราะอินโดนีเซียากส่วนมากนะปัญหามากมายเหลือเกินเป็นไปได้ทีเดียวอันนี้ผมาจจะคิดด้วยอัตนายนะครับว่าบริบโทนั่นเองบริบูดูนั่นเอ ง, ดเองได้กลมเกลี วิธีชีวิตจิตใจของชาวชวานะครับให้เอื้ออาทรจนกระทั่งให้กำเนิดคนสำคัญคนหนึ่งซึ่งรอจะลืมไปแล้วสูกาโนครับผู้ที่ต่อสู้บทแอกเทศชาติจนผู้ที่นักปรัชญายอมรับในวิธีคิดในเรื่องปัญญศีครับหลักปัญญศีปัญญศีก็คือหลักที่จะทำให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกนี้นะ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 หลักพันธสีนี่ถูกประกาศขึ้นมาอย่างสง่างามนะที่จริงเป็นหลักพุทธศาสนาผมอาจจะโยงเองว่าสิ่งอันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากครั้งหนึ่งอนราชอาา จ, จักรศรีวิชัยได้ถูกสถาปนาขึ้นแล้วเป็นเหตุให้พุทธธรรมแพกซึมซาบเข้าในวิถีชีวิตของเขาแม้ต่อมาภายหลังนะครับพ่อค้าหลับได้พลิกอำนาจรับทั้งหมดให้อยู่ในกา ม, มือแล้วกลายมุสลิมก็ตาม ผมคุยกับทาววะแล้วรู้สึกว่านี่คือแบบฉบับของชาวพุทแ ต, ต่้งแต่เขาบอกผมเป็นมุสลิมนี่เองนะเขาก็ซอฟทอมพูดกันเบามากกันในรถไฟไม่เหมือนบ้านเร า, นะ า, เราว่าเราโดยเฉพาะคนปกากใต้นี่คนหนึ่งขึ้นประตูหน้ารถเมย์คนหนึ่งอยู่ประตูหลังตะกนใส่กันเลยสาาปากใต้ไนอะความยิงทรนงนั่นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับมนุษยธรรมรบมมตนยิงทธนงมากเท่าไหร่ ทนงตนมากมนุษย์ทำจะได้หลงครับมีไหมครับมีคำถามไหมถ้าอย่างนั้นต้องเปิดคลาสก่อนครับต้องสตี้ให้พอเพียงหน่อนนะครับเพราะว่า พอไปเห็นแล้วมันจะตะลึงตะลานครับอีเดี๋ยวนี้มีกลุ่มหนึ่งทางอิสานนะฮะเขากำลังรวบรวมที่จะให้เป็นกลุ่มสตัตีิบุรพิตรโดยเราไม่ต้องลงกีเราเป็นชวาหรือเป็นอินโดนีเซียนะครับที่จริงคือเมื่อเราพูดถึงบรรพบุรุษชาวพุทธเราไม่ได้หมายถึงอายุธยาหรือสุโขทัยนะฮะความเป็นพุทธคือความเป็นพี่น้ององครับดังนั้น ชาวชวาทิงครั้งหนึ่งเคยบรรลุถึงอารยธรรมพุทธนันสูงจ่งเงี้ยเราศึกษาได้เรายอมรับได้เรารักเขาได้แลวเราก็เรียนรู้จากเขาได้ผมเองอยากเห็นเด็กรุ่นหลังโดยเฉพาะศิลปินรุ่นรุ่นหลังๆนะครับสาวสืบเสาะภูมิปัญญาให้ลุ่มลึกเพราะทุกวันนี้เราเจอปัญหาว่างานศิล ป, ปะมักเป็นงานที่ไร้าสาระต้องพูดอย่างนี้เลยนยะ แล้วก็เนื่องจากไร้สาระเนื่องจากทอดทิ้งาศาสนธรรมนั่นเองทำให้สร้างบบรูปแบบศิลปะที่ใช้เทคนิคนำให้ดูมาังมาเลืองดูพิลึกเกือแต่ว่าแทบจะไม่มีประโยชน์ผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะที่จริงาศาสนาศิลป์นั้นเป็นสื่อที่สำคัญที่สุดครั้งอดีตครับแต่ดูเหมือนศิล ป, ปินรุ่นใหม่เขาถือเป็นเรื่องด้อยถ้าเอาศิล ป, ปะไปรับใช้าศาสนา ทำไม่รับใช้าศาสนาก็รับใช้ศาสนาเท่านั้นเองครับรพูดง่ายๆเท่านั้นเองครับทำไมรับใช้พระเจ้าไม่รับใช้ธรรมะก็รับใช้ศาสนารับใช้เนื้อหนังจะเรียกว่าศิลปะไม่ได้นะครแต่ที่ผมเน้นนั้นไม่ใช่ตัวศิลปะนะครแต่ผมจะเน้นเรื่องสุนทรียภาพผู้ที่เปี่ยมมาด้วยสุนทรียภาพอาจจะทําศิลปะไม่เป็นเลยครับสร้างเบอร์รี่นะครับวาดรูปไม่เป็นเลย แต่เขามีศุนธีภาพสูงจนกระทั่งว่าได้แนะนํำยุวศิลปินหลายคนดียดครับศุนธีภาพคือความงามครับความรู้สึกในความงามในหัวใจความใจดีความมีสุภกรรมคํานี้เราไม่คุ้นหูแล้วนะครับเราคุ้นกับกุศ ล, ลกรรมกรรมที่เป็นกุศลแต่นี่ศัพหนึ่งซึ่งลางเรือนสุภกรรมกรรมซึ่งงดงามยิ่งนะ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 ใช้วัดสดุแต่น้อยแต่ได้รับความ พ, พึงใจสูงปัจจุบันนี้เราใช้แมทเรียลอย่างพุ่มเฟือลิสินเปลืองแล้วได้รับความ พ, พึงใจน้อยนิดครับกํมาดูไปดูนะหัวกลิดคดีด้ามกลิดด้ามขวาเนี่าแกะครับเขามีเวลามากมายที่จะถ่ายทอดอารมณ์ m u s i ภายในนะฮะผู้เ่าผู้แก่ก็ได้รับขนานนามว่าเป็นรัตนยูผู้รู้ราตรีนานครั เพราะว่าค่ำคืนยาวนานมากพอที่นั่งจ่ายจองปรัชญาธรรมสำรวจตรวจสองอุปนิสัยของบุตรหลานดังนั้นไม่ช้าไม่นานนครับด้วยวิถีชีวิตเช่นนั้นกลายเป็นปลากพื้นบ้านทีนี้รักตันอยู่พุลุลตรีนานไม่ค่อยมีครับเพราะเรานั่งดูทีวีกันจนเที่ยงคืนแล้วก็นอนเลยกินข้าวเสร็จก็ ด, ดูหนังดูละครน้ําเน่าไม่มีเวลาเลยที่จะมานั่ง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 ตอนี้เราไม่มีครับเราวิถีชีวิตเช่นนั้นเราสูญเสียไปหมดแล้วเหมือนที่ผมเรื่มต้นว่าวิถีชีวิตของชาวบุรพทิศนะครับที่เป็นอยู่ง่ายง่ายสบายสบายนะคราบคำนี้ ม, ม, มีมีความหมายลุ่มลึกครับเดี๋ยวนี้เราเป็นอยู่สะดวกสนุกแต่เราไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ผมว่านะต้อง ม, มีปัญหามากมายที่เผชิญทา้าทายให้แก้ไขแล้วดูเหมือนจะแก้ไม่ตกด้วยนะ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 เขินไปด้วยยวดยานแต่ว่าข้างในเราดำมืดข้างในเราตกต่ำถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดต้องถูกแก้จากในสุดออกไปข้างนอกครับแต่ทุกวันนี้เหมือนเราจะเจรจากแก้ปัญหาด้านนอกกันมนุษย์ค่อยๆถดถอยด้อยค่าด้านคุณภาพลงทุกทีในขณะที่รูปแบบไลฟ์สไตล์ดูเสมือนว่าก้าวหน้าเห็นไฮะนี่เองที่เป็นเหตุทีเราต้อง ทำไมต้องบรมโดครับทำไมเราต้องคำนึงถึงความงดงามของที่นั่นทำไมเราต้องเรียนรู้ภูมิปัญญาครั้งนดีซึ่งสะท้อนโดยตรงออกมาจากศรัทธาในหัวใจถ้าเป็นเรียนศิลปะบ้างหรือเป็นคนที่มีความไวอ่อนในเรื่องจิตใจนะความไวอ่อนไม่ใช่ใจอ่อนนะความว่องไวเส้นสติเนี่ยเราเฉพาะ บ, บรมโดสอนมากครับเป็นเสมือน เครื่องหมายของการุณยธรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยครับเราอจะคุยโวในฐานะชาวพุทธว่าพุทธศาสนาหรืศาสนาปัญญาผมว่าไม่ใช่เรามาดูวิธีบวชนะการบรวชของพรามเนี่ยคือบวชเข้าสู่อํานาจครับเด็กหนุ่มพอครบวัยที่กําหนดไว้ก็สวมสายยันโยบวีสเป็นพรามเพื่อเข้าเป็นมีเดียเตอร์สื่อกลาง เข้าสู่วันณะอันสูงส่งคือบวชเข้าสู่วันละครับแต่ฝ่ายพุทธศาสนาเราบวชออกจากอำนาจครับถือว่าธรรมะคืออำนาจที่แท้จริงแต่ทางโลกถือว่าอำนาจเอาอำนาจมาเป็นความถูกต้องใครมีอำนาจคนนั้นก็ชนะไปดังนั้นเมื่อพระเจ้าออกบวชท่านก็เลยลงมือคัดค้านวิถีชีวาตค้านพรามตลอดเวลานะครับศาสนาพรามไม่มีอะไรมากกว่การยันยกรรมครับเอาชีวิตของแคะของแกะเพื่อปลนเรอพระเจ้า ในขณะที่ผู้เจ้าท่านเริ่มแสดงการุณยธรรมศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตรตลอดประชนชีพของพระเจ้าเป็นการเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นอย่ามสุขกล่าวได้นะครับว่าการุณธรรมได้ถูกประกาศอย่างงดงามยิ่งที่บริโรคด่วนเูืไปเดินรอบๆแล้วจะรู้สึกสบ า, ารอยยิ้มของพระโพธิสัตว์ดีท้าเยื้องกายท้ามุตราเนี่ยมันเหมือนคาปลอบประโลม ในหัวใจต่อผู้ศึก้าว่าเธอไม่ต้องกลัวหรอกชีวิตไม่มีอะไรยึดกลมุมความรู้สึกทางธรรมะให้ดีนะรักษาหัวใจให้ให้ดีไว้ตลอดจะชนะอุตสัาห์ทั้งปวงผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าอาจจะเพิ่พกไปตามวาสนาบารมีก็ได้นะเพราะว่าศิลป์ความเป็นสื่อที่ลุ่มลึกอยู่ในตัวมันเองครับถ้าว่ามันไม่ถูกเสกสร้างอย่างเสแสร้ง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 และเอื้อทรอไปยู่อนุชนข้างหน้าดังนั้นอาริเจกนายช่างจึงวางแผนหนึ่งแยบอยี่ยมที่ใช้ก้อนหินเล็กๆ ก, ก็ได้เหตุผลว่าจะคุ้มครองมันให้นานที่สุดคนไทยโบราณก็เหมือนกันเขาห่วงาศาสนามากนะในยุคที่ไม่มีหนังสือในยุคที่ไม่มีเครื่องมือถ่ายทอดโดยความเอื้อเฟือ้อการุญธรรมของพระอรหันต์ข้าหาดีลงทุนแบ่งกลุ่มแล้วใช้มุกปาฐะ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 ยิ่งใหญ่หรือความด้อยสำคัญตรงเป็นบทเรียนซึ่งปรากฏขึ้นแล้วครับแล้วถ้าเราเรียนรู้อดีตให้พอเพียงนะครับเราจะรู้ทันทีทิศทางอารธ ร, รมเนี่อันตรายยิ่งที่เป็นอยู่ในทุวันนี้มือสมองพัฒนาไปไกลห่างเหินไม่ได้ส่วนกับหัวใจนะกับอารมณ์สึกด้านหนึ่งนี่นั่นคืออันตรายครับอันตรายต ร, ยตรงน้นคิดเก่งคิดมาก แต่รู้สึกคล้อยตามได้น้อยนิดเดียวครับคิดว่าเวลาล่งเลยมาแล้วครับขอยุติดเท่านี้ครับ